จเจริญพรท่านสาธุชนุทธบริษับกาผู้ฝ่ายธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เราก็มาสนทนาธรรมกันอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องทานศีลภาวนาใครที่มีความสนใจอยากจะเข้ามาถามตอบคำถามก็เชิญเข้ามาได้วันนี้เราก็รอบุคคลแรกามาแล้วข้าประจำเด็กชายพีเค ขึ้นมาสิเด่นจะขึ้นมาอันนี้ขึ้นมาเร็วดีดอุยเ่นจต้องมีสัตว์ทยตรงนี้กลับนมัสการค่ะพระอาจารย์เขาวิ่งมาจากห้องลีวิชค่ะน้องคนดีดีลูกอุ้ยมีนาริค่าอยู่ตรงนี้กลับพระอาจารย์ก่อนเราคุยกันได้ไหมทีวีจะดูกกับนามัสการครับพระอาจารย์เป็นงไงครับวันนี้ฟังมากเลยครับกับนามัสการทกาเดียวดีๆไม่เอา ฟังยังไงฟังยังไงพระอาจารย์ถามฟังแม้ฟังแม่ไหมฟังแม่ครับอเป็ยังไงฟังแม่เชื่อคุณแม่เลยชื่อหรือเาชื่อครับพอาจารย์ดื้อนิดหน่อยใช่ไหมคะบางทีก็แบบว่าลืมพูดโทไปก็เลยดื้อไปครับพระอาจารย์อ๋ออย่าดื้อนะต้องเป็นเด็กดีนะครับอาจจะสวดมนต์ให้ฟังบ้างเลยนี้ การสดนที right> <speaking <speaking ่นี้าให้อาจารย์ฟังหน่อยสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีอาณาหังแค่อาณาหังสพระอมาุโธพะวาชาาพระอาจารย์บอกพุดทางันตงพกััต้องมิวะใจมิกอะสว่าไปนใชต้องให้สวาเขาตัวพระวัลตัวทำนองนมัสามิกล่าพระอาจารย์บอกชาช้าสุบะปินโนพะวัลตัวสวาก็สังขสังข์มามามิ ก็ลเขี้โม้แค่อนี้อ่าแค่อันนี้อ่าวันนี้แค่กับน้ำมัสะกันกบนมัสกันกับพายจอย่าด้วยนะครับเป็นอย่างดีนะเขาบอกว่าพระอาจารย์เขาะหัวมาแล้วอ่าตัวสติตอยู่แล้วค่ะยังไม่แรงพอมั้งคะหน้ามาให้กว่นี้หน่อยได้ไหมเขาหน้าแรงกว่านี้ได้ไหมไม่เขาไม่เหรออากาศครับกับน้มัสกันกับพายใจฮิ วันนี้วันนี้ให้สิทธิพิเศษได้ดูทีวีค่ะก็เลยติดพันอยู่ค่ะค่ะพ่อก็ติดไม่ให้ดูเลยไม่ให้ดูค่ะพระอาจารย์ให้ดูแค่เสาร์อาทิตย์ค่ะอ่อดีควรจะไม่ไม่ไหนบ้างค่ะพระอาจารย์อย่าป่อยให้สัมผัสการูปเสียงกีดกันมากจนเกินไปค่ะมันจติดมันจะติดมันจะทําให้เสียคนเพราะมันไม่มีเป็นเรื่องไว้สาระเป็นส่วนใหญ่ รู้สึกผิดเลยค่ะวันนี้นั่งนั่งนั่งไถอ ย, อยู่เหมือนกันค่ะาอาจารย์ค่ะ <c oughs> ให้ดูพุทธประวัติให้ดูชาดกอย่างเมือกี้นี้ในองังกฤษมีแม็แมกคนหนึ่งชาวแคนาดาเขาก็จะให้ลูกดูแต่พวกชาดกเก็ <c oughs> จะรู้จักชาดกรูาจากพระพุทธเจ้าค่ะ <c oughs> เคยพาไปที่ที่ที่วัดอ่ะนะคะแล้วก็มีพวกลูกฝากผนังอะคะ่ะเขาก็ถามนะคะว่าอันนี้คืออะไรก็เล่าเล่าให้ฟังอย่างองค์คุลีมานเขนเ<อ>็นอะไรอย่างเงี้ยไอวิ่งไล่ฟันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเอาของดีๆมาสอนเยอะมากอ๋ค่ะพระอาจารย์ <laughs> แต่เขาเขาพอพอเล่าเรื่องตอนที่พระเทวทัตทําลายพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะแล้วแล้วโดน ใ, ในในผนงังอฝาผนังเขามีรูป พระเทวทัถถูกลรณีสูบอะค่ะเขาเข้าไ ป, ไปพูดที่โรงเรียนเขาบอกว่าเนี่ยเพื่อนคนเนี้ยเกเรหนูจะให้ทรณีสูบซะเลยเขาเขาไ ป, <laughs> ไปพูดกับที่โรงเรียนหนูบอกว่าโอ้ยลูกเอาไปพูดเขาจะรู้ไหมเนี่ยว่ <laughs> เาเนี่ยเขาจะต้องโดนทรณีสูบใช่ไหมเจ้าจ๋ากลับมาถามหนูประมาณไปตามภาษาเด็กค่ะหนูก็ตลกมากเลยบอกโอยลูกไปพูดครูเ <laughs> ขาจะขำเมื่อแม่พาดู คือโรงเรียนเขาไม่ไม่ทราบว่าเขาเขาเรียกอะไรค ะ, ะหลับรับได้แค่ไหนอะค่ะประมาณแบบว่าพูดพูดจากเกินไปหรือเปล่าแบบว่ามันดูหดไร้ไปหรือเปล่าอให้ทรณีสู่อะไรอย่างาเงี้ยค่ะแค่รอเขาพูดก่อนแล้วกันเขาไม่พูดอะไรก็ไม่รน้ค่ะพระอาจารย์ถ้าเราพูดอธิบายก็ฟัง ค่ะพระอาจารย์ก็พยายามบอกน้องน้องคุณด้วยเหมือนกันว่าแบบเออเราเราคุยกันแค่นี้นะเราไม่ต้องเอาที่ที่เราพูดไปไปพูดกับคนอื่นนะลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์อืมค่ะแต่โชคดีมากเลยค่ะพาไปกล่าวพระอาจารย์กลับมาเขาก็แบบเนี่ยเดี๋ยวนุจะมีจะเติมีพูดพูดดีขึ้นรู้เรื่องขึ้นค่ะพระอาจารย์ต้องพาไปก็ดูไปค่ะคไปไม่ฟ้าแบบเดียวค่ะพระอาจารย์ต้องพาไปจูนบ่อยๆค่ะ ดีครับ<า>คุณนิง่งคุณครูนิ่งก็พาเด็กไว้มันประจำํำเด็ก ม, ม, มีสติสตังดีขึ้นเรียบร้อยขึ้นค่ะดีค่ะพระอาจารย์หนูก็ได้พลังกลับมาดีมากเลยค่ะจากที่แบบว่ามันเพลิ่วเพลนหลุดหไปบ้างก็ได้ตบตกให้เข้าที่รู้สึกดีมากเลยค่ะให้เขาเข้าสังคมที่มีความสงบมีความเรียบร้อยค่ะ อันี้มีแต่เริงขับสังคมของเริงเงีไปไหนก็ไม่แต่กระโดดว้าเต้นงันร่ายเป็นกลางกันค่ะจริงค่ะที่มีความเรียบร้อยนี่ไม่ค่อยมีกันเทไหรกลายเป็นของล่าสมัยไปแล้วความมีระเบียบเรียบร้อยต้องมีศรัทธาต้องต้องแหวกแนวแหวกอะไรทุกอย่างแต่ยัถึงว่าเก่งอ่ะใช่ค่ะพระอาจารย์อืเนี่ยความหลงความหลงของเราเป็นนี้ ต้องคิดไม่เหมือนต้องคิดคิดแบบคิดกันคิดต่างมันก็ดีนะคะแต่ว่ามันมันก็มันมีบางจุดที่เออมันก็ต้องมีเหตุผลผลมันจะคิดต่างไม่ใช่เขาของเข้าดีอยู่แล้วไปคิดต่างมั่งใช่ค่ะยังไม่มันก็ไม่เข้าท่านะค่ะถ้าคิดต่างมันต้องดีกว่าของที่เขามีอยู่สิค่ะอาจารย์ค่ะแต่ไม่มีอะไรดีเท่าของพระพุทธเจ้าหรอกรับประกันได้ค่ะไม่มีใครเก่งกว่าพระเจ้า นั้นอ่าเ่าไม่เป็นไดอันนี้ก็พูด ก, กันเฉยๆให้ฟังมายธรรมไม่ทำก็เป็นสุดแท้แต่ความพอใจค่ะพระอาจารย์โลกเขาก็มีกระแสของเขาเขาลองไปตามกระแสของเขาแต่เราเป็นพวกทวนกระแสมัน เ, เป็นรูกศิษย์ของพระอา จ, จารย์ต้องทวนกระแสของกิเลสอ่อาแล้วก็จะพยายาม ก็บอกก็บอกเขาอะค่ะมีสิ่งที่จะให้ได้คือการเรียนแล้วก็อทางหลุดพ้นทางนี้นะลูกแล้วแต่โตไปก็เลือกเอาเองหก็บอกเขาบอกไว้อย่างนี้บอกไม่ได้มีเงินมีทองอะไรให้นะคะให้ให้การเรียนแล้วก็ให้ศาสนาให้พุทธศาสนากับลูกคมีคมทองมีเงินทองเท่าไหร่ก็หมดได้ให้เขาไปเท่าไหร่แต่มีปให้ปัญญานี้มีใช้เท่าไหร่<ม>ก็ไม่มีวันหมดค่ะพระอาจารย์ จะทำให้ดีที่สุดค่ะขอบพระคุณค่ะให้พระอาจารย์ทัดฐานแข็งแรงนะคะสาธุสาค่ะอ่าไปน้องจะมาจจายัตที่แล้วสองคนนี้มีปัญญาเนี่ยปรการะกามรสการอาจารย์ครับตอบสนองบ้านครับชงปัญญาให้ํางหน่ยอ้วครับเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่องพความแก่ไปไม่ได้ เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร้อพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะร้อพ้นความตายไปไม่ได้เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลาดพลาดจากของหลักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นนานเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทํากรรมในไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาท คือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถออันนี้แหละคือปัญญาเนี่ยความรู้ทางพุทธศาสนามีไว้เพื่อดับความทุกข์ใจถ้าเรายอมรับความจริงเหล่านี้ได้เราจะไม่ทุกข์ใจแล้วร่างกายเรามีอะไรบ้างมีผมขนและปันหนังเนื้อ เอ็นกระดูกยในกระดูกม้ามหัวใจตับทังเผื่นไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ายี่ในสมองรีรษะน้ำดีน้ำเสลน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันคข้นน้ำตาน้ำเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำไขข้อ น้ำมูกน้ำลายน้ำเหลวน้ำตานันค้นน้ำเหนื่อน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสร็จน้ำดียังในสมองศีสษะอาหารเก่าอาหารใหม่ไส้น้อยใส้ใหญ่ปอดไตพังเผิตตับปอดใจม้ามยในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันเล็บขนผม อ่เวล า, า<ๆ>เห็นร่างกายเห็นอาการเหล่านี้บ้างไหมอเห็นบ้างครับเห็นนะครับเห็นร่างกายของคนเราเห็นอาการเหล่านี้นะครับอต้องเห็นนะเห็นกระดูกเห็นอะไรครับโอเคที่ให้เท่าพอใจให้ไม่ลืมแต่เวลาเห็นร่างกายใครก็ให้นึกถึ ง, างอาการเหล่านี้ประ ก, กอบไปบด้วยเไล้เห็นร่างกายที่มันชัดเจน จะ ไ, ได้ไม่ถูกความหองดอกให้เราเห็นร่างกายมาสวยงามครับโอเค okay, นะมีอะไรไหมไม่มีแล้วครับอไม่มีไปที่น้องทิมตอบก็ขอบพระคุณพระอาจครับน้องทิมเป็นไงที่นี้ได้กี่นาทีครับเราไม่ค่อระอาจารย์ทั้งวันกี่นาทีไดหนึ่งชั่วโมงแล้วก็อีกสิบแปดนาทีครับเอาแต่ละครั้งดีกว่าครั้งละเลยครับ <laughs> ก็สิบสามนาทีครับสิบสามนาทีเลยเขาลงมาช่มันจากสิบห้าใช่ไห ม, ไมแล้วลงพระอาจารย์ถามแล้วลงมาจากสิบห้าหรือเปล่าคะครับยังไม่เคยได้สิบห้าครับ อ, อ๋อยังไม่เคยสิบสามนี่สูงสุดเท่คไหร่คะสูงสุดได้อ่าได้เท่าไหร่คะลงุงยีสิบเคยถึงหรอเคยถึงยี่สิบครั้งเดียวครับแล้วก็ไม่ถึงเลยครับเออก็ไม่ยากเท่าไหร่ใช่ไหมตาจาจริงจริงอ่า พยปยามพักไปเรื่อยๆ เ, เวลานั่งต้องมีพุโทโธพุทโธนะอย่านั่งเฉยๆค่ะทามีพุโทโธไป น, น, นั่งได้ยาวเนะี่ยค่ะนี่ก็เพราะวันนี้เขานั่งไปสิบสามนาทีค่ะพระอาจารย์พอเขานั่งเสร็จนะคะ่ะเขากม็มีบอกว่าเหมือนนั่งรอบนี่คืนมีเน็บช า, ชาน่ะมันมีเน็บชากินอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยบอกเขาบอกว่าแบบ เออ ก, ก็ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้รู้ว่าอย่าไปสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เวลามีเจอเน็ปชาก็แบบว่าให้พุโทพุโทรไปคือที่นั่งอจะได้รู้ไว้แล้วหนูก็บอกว่าเออก็ดีที่เขาไม่ไม่ไม่ไม ไม่ขยับแบบเพื่อที่จะหนีแบบเหน็บชาอะไรแบบอย่างเงี้ยค่ะพระาาอาจารย์ก็พยายามเหมือนพยายามให้กําลังใจเข า, า, าว่าค่ะพระอาจารย์เพราะบางที เ, เขาก็ชอบมันมันพอเจอความเจ็บปวดเขาก็าหนีอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมค ะ, ะแต่เหมือนเมื่อวานนี้ครั้งแรกที่เขาพูดเขาดังลุกแบบเหน็บชากินไปหมดเลยเขาหนูก็เลยบอกว่าแบบเออก็ดีแล้วเลยอย่างเงี้ยที่อดทนนั่งจนได้อะไรแบบเนี้ยอนเจ็บดได้ค่ะทนเจ็บได้ต่อไปมันจะสบายน ะ, เ, ะเวลาร่างกายเจ็บแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธไป ไม่ต้องไปวิ่งหายาหาหมอให้เหนื่อยใี่ค่ะพยายามฝึกไว้แล้วต่อไปเวลาเจอเจปบปวดจะไม่ทรมานกายเราจะเฉยใจจะนิ่งไม่กระวนกระวายไม่กระสับกระซายไม่วิตกหวาดกลัวนะค่ะครัอาจารย์ โอเคนะค่ะพรอาจารย์ค่ะกล่าวขอบพระคุณพรอาจารย์มากเจ้าค่ะขอให้พรอาจารย์ท่าแข็งแรงนะเจ้าค่ะโอเคต้องเลนต่อน้องเล่นตั้งคิวน้องเลนนะทางานบ้านอยู่นะครับพรอาจารย์ถามสวัสดีครับท่านอารันบ้านเหรอครับอาจารย์ถามไว้ใชครับสวัสดีครับอาจารย์ก่อนนวัสการกลับมาขอบคุณ่อนู่นกับแล้วล่กชื่กลับมาเอกกล่อนลูคืกบคุณพุทธกาพงษ์กับพระสง์ าสาุค่ะ <laughs> <c oughs> อ, อนนักเร่นมีอะไรจะบอกพระอาจารย์หมคั บ, บอกหลวงตาไหมครับส่งการบ้านเลยไหมโอเคไหมครับโอเคอ่เร็อะไรอะนะเร็วอ่าเร็คร <c oughs> ับ <c oughs> อ่เร็ <c oughs> <c oughs> วหล <c oughs> วงตามองหลวงตายิ้มเลยเนี่ยนะโมนะโมตัตตัภะเวอลาหะตสัมมาสัมพุท e x นามูจัสสภะกวะตระอาลาหาตุสัมมาสัมพุทธาสาวาลาวันนี้ชันดีนะ <laughs> วันนี้ชันดี <laughs> อาลาหาสัมมาสัพพุทธภะวะพุทธาภะกวะตั้งอภิวาเทนิกลานักเรียนช่วยด้วยเร็วสว่างเร็วตัวคัาตัวปะกวะตาธรหมดธรรมังนัมสัมมิสาตุ ส no, <mis indruck> ุป mm> ฏ <bilmiyorum>. so, ิปันโนภาวาวการสร้างโกส้งขนามวงเลยเห็นเัตาีนโภาคว่อาบพุทธวิาจารนสมันุกัจจโลกวิจุอนุ a รรมวิชาทำมาสารจิตธาตว่มุสานุพุทตัวภาควาติภาคว่าฆาตตัวภาควตทำนิติจักรกิโก Eh, pasti kok, manaikah wajah TV kita paling TV. Supaya, supaya dipandu bersama wajahku, sahkanlah. Ucuk, ucuk, supaya dipandu bersama wajahku, sahkanlah. Yang apa dipandu bersama wajahku, a m i nami, s u p a dipandu bersama wajahku. เพราะพนามนี้มิดก่เจ้าต่างะดนฤกบุริสุกขาเียอาถรรุธอยู่คระักปากกว่าตตวเาปะกาสักกอ้าวนันนเปะปุนยอยู่ตะินเอาจารยี่กลยอนุตัลังบุญญาเกิดังโลกสาระิตโอเคบุญนันะไรที่เขาว่าเจ้าได้กระทำลยเจ้าวจะควรควรอวรควรวรควคร ศาสนาโบราณลูกในภพทุกขามนทุกสัตว์้อาสุก็แจกจบายแล้วการพนสงึ้นโดยอย่างดีแต่ะเมียบาริบเมียร่งกนเลยช้าอะรอการปเหมือนจ้าจจากปีศาจเวลาอายุากจะอุทตระลานันอ่ะออะกผมผมคนเนียว่าหลมีช่วยเราไม่เก แมวไม่จีปตัดกบีซีรส์นูอ่ะไม่ฮัจ๊อไีรีส้นูอ่ะไนจ๊ยี่สหสิี่า้ำเลือด่เอานึ่งานะเนี่ยถ้า่นน้ำตาม่ไม่เหลวนะน้ำลาย้ะมูอน้ำไข้นำาพอหน้มู โอ้โหเหนื่อยเลยพ่อจันเหนื่อยมากออกมาลุ้นเหนื่อยเลยการสมรนี่เป็นการฝึกสตินะเห็นไหมชยเวลาจะเป็นสติเดอย่าไม่หลงดูไหมครับหลวงตาถามรูไหมครับดูไหมครับถาเฉิงท้องผมก่อนอะน้องดินก็ท่องได้เอาอะไรนี่โชว์โชวหลวงตาอะไรดีคะไม่ต้องเคิรนลลูกไม่ต้องเฉยไม่ต้องเฉยน้ำมืออะไรคะน้ำมืออะไรคะน้ำมืออะไรลูกไหวไหมไหวไหม ไม่ไหเมืเอ่อกี้เมื่อกี้เขาท่องตามพี่พี่อะค่ะคนผมเ<อ>ล็กท่องเสียงดังเลยค่ะพาถึงเวลาตัวเองเขาเถินเจ้าค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆค่อยคอยนไป ค่ะว่าจะพาเด็กๆไปกาศพระอาจารย์ยังไม่ได้ไปสักทีเลยเนาะค่ะแค่ะว่าเแตยว่าไปเลยถ้าจะไปก็ไปเลยไปเลยใช่ไหมโอเคเ้าจะว่าถ้าจะว่าก็อย่างว่าเจ้าข่ะคเจ้า่าวแต่วอาทิตไหนไปกาศหลงตาเลยอืมถ้าจะไปก็ไปเลยถ้าไม่ไปก็ไม่ต้องว่าโอเคอย่าลืมไอ้เราค่ะเสียความรู้สึกนะแต่ว่าไม่ต้องไปอย่งลืมไปอย่าลืมหัวใจดูจ้า เป็นลูกต<ม>นะิด<แ>พระอาจารย์นะโ ย, ม, ยมหญิงประหยัดไปได้เยอะเลยค่ะโยมหญิงไม่ต้องงงย้อมผมไม่ต้องแต่งหน้าไม่ต้องซื้อเสื้อผ้ า, าไม่ต้องอะไรเลยค่ะไม่ต้อแนะล้วใช่ค่ะเสื้อผ้าสดตอนร้อนเลยใช่ค่ะใช่ค่ะพระอาจารย์ประหยัดไปได้เยอะเลยเจ้าค่ะโป่<ม>งไปได้หลายเรื่องเลยเจ้าค่ะค่ะขอบพระคุณพระมากมากงามทั้งใจ ใช้ทานสดงความเมตตาเนะใช่เจ้าค่ะพระอาจารย์กลับขอบพระคุณค่ะพวกเราโชคดีกันทุกๆคนเลยค่ะในโซมนิเจ้าค่ะโอ้โขอบคุณค่ะเป็นเด็กดีขอให้สุขภาพแข็งแรงนะลูกสาทุก่อนจับหนุ่มตากราบขันเดย์น่ารักขันดี์ส่งกลับขันดีน้องลิ้นนงลิจับตาลูกไม่ต้องเขื่อแล้วลูกค่ะดีกลับดีดีกลบพรุณตามครั้งลูกกละ อาาศพ่อหม่าม้ามจริงๆเขากราบไม่สวยมากเลยพระอาจารย์เขาเขินค่ะขอบพ่อจาย์ทักขันแข็งแรงเจ้าค่ะอ้่ะเร็วค่ะสวนทุกคืนนะก่อนนอนต้องสวด่างนี้ทุกคืนนะค่ะมาม้ารับปากนะคะโอเคค่ะลูกสาวลับปากเจะค่ะโอเคดีจะได้ติดเป็นนิสัยไปต่อไปค่ะนะคะพ่อจารนเดี๋ยวนี้นังลุกเขาก็ท่องพุณโธแล้วค่ะนังลูกเขาบอกว่า ลูกเล่าให้พระอาจารย์ฟังสิลูก อ, อ๋อเอเร็วเอาเล่าเลยเร็วเฮ้ยแค่ตหมือนรอรับรอรับเล่นเขาเฉยๆค่ะแล้วก็ลองทําแต่ว่าทำแล้วก็ทุกนาทีค่ะไปอย่างอื่นตลอดทุกนาทีต้องมีเรื่องแวะไปอย่างรือทุกนาทสีสู้เด็กไม่ได้เด็กคิด <c oughs> ที้ก็ง่ายนะเด็กก็ไม่อร <c oughs> คิดมากไม่ไ ม, ม, ไ ม, มีเรื่องให้คิดมากะหาหาหาแต่สอนเด็กๆนี่ง่ายสอนเด็กง่ายขึ้มาพระาจารย์รับ เขาไปออกกําลังอะค่ะเขาเหนื่อยกับการเดินออกกําลังเดินเดินในรู่อะค่ะแล้วก็นแตเหนื่อยเหนื่อยก็เลยลองลองลองแบบว่าโฟกัสแค่เหมือนดูแค่ลมหายใจแล้วมันก็เหนื่อยน้อยลงเหมือนค่ะแล้ก็เดินของมันไปแล้วเราก็หายใจใจก็อยู่ที่หายใจมันก็ใจเราเนื่งมากใจจะไม่เหนื่อยอะจากตอนแรกจะไม่ไหวแล้วสิบห้านาทีแล้วก็ต่อได้อีกสิบห้านาทีอีกอ่ะอ่านั่นเองเรื่องพลังของใจคือสติ สมาธิค่ะอาจารย์ค่ะเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเพิ่งกลับอาจารย์เราทําอะไรให้มีสติกํากับใจไปตลอดเวลา อ, อย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปค่ะกินแล้เกิดอารมณ์ว่าบุ่นขุนหมวขึ้นมาไอ้กินแล้ ว, ล ว, ว, ใ, ใ, ลวใจจะว่างจะเย็นจะสบายในอารมณ์ให้มันเป็นแบบนั้นค่ะค่ะอาจารย์ค่ะค่ะเพนาะว่าเป็นแบบนั้น ค่ะขอพระอาจารย์ท่านแข็งแรงเจ้าค่ะโอเคขอบคุณพความส์ทรงมากๆนะขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะโอเคไปที่คุณซาตะกาต่อคุณซาตะกายังไม่เด็กไหมยังไม่ลูกไหมโอไม่ค่ะอไม่โสดเลยแต่หนุ่มเลี้ยงไม่ชีวิตชีวานาะไม่อ่ะค่ะเห็นหลานหลานแล้วเหนื่อยค่ะอยู่อย่างนี้สบายกว่าค่ะแย่แล้วค่ะ เด่นดูดูเหมือนที่ว่ะอาจารย์อกมันมีแต่ทุกข์มันก่อนมีชาชาลัสเซียคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาอยากจะเลี้ยงลูกแปดคนไม่ได้สองคนแล้วอวยังรอยแล้วรอหลายปีแล้วยังไม่มาเลยถามว่าจะทำอะไรบอกว่ามีรูกมันเป็นทุกข์นะมันเป็นไล่เขายินดีทุกข์กับลูกเขาต้องใจเย็น ลูกเคยตอนสมัยแต่งงานใหม่ๆแล้วก็ไปทำไปทาหลอดแก้วแล้วคนข้างๆที่อยู่ด้วยอะค่ะอาจารย์เขาก็ทำไม่รู้เท่าไหร่ละสองข้างแล้วลูกก็มานั่งนึกตัวเองว่าลูกยัไม่เสียสละขนาดนั้นจะให้ลูก ม, มาลาออกให้ไปเสี่ยงเงินขนาดนั้นลูกไม่ไหวอืมลูกก็ฉลาดเดียยังมีปัญญาอยู่ ลูกเห็นแบบสภาพว่าลูกไม่ได้จริงๆิงรู้แบบโอ้ยจะให้ลูกมาลาออกอยู่บ้านเฉยๆลูกก็ไม่ได้แล้วก็ลูกเห็นอย่างไปเยี่ยมหลานแฟนะคะโอ้มันบ่วงเยอะอะค่ะพระอาจารย์มีลูกแม่ลูกอาจะเลี้ยงโตกันอันนี้ก็เก่งค่ะมาฟังทำกับปฏิบัติทมอย่างเดียวพระเจ้าบอกพอได้ยินเขาว่า แต่ลูกชายก็บวกบวงเลยค่ะอาผมแปว บ, บ่วงห<ก>นีเลยดีกว่านีนเลย <laughs> อยู่ไม่ได้นะก็คือที่ดูแลแม่แล้วก็แม่ตายก็เหลือแค่พ่อ <c oughs> แล้วลูกก็อยู่กันสอคนแล้วก็ก็ไม่ได้คิดทะเยอทยานใหญ่ก็อยู่กันแบบ <c oughs> เนี่ยแคบแค เอาใจเราเป็นลูกดีกว่าลูกแล้ว ใ, ใร่ไลูก <c oughs> เพะมันมสบายกว่าค่ะอ า, าจารย์แล้วก็ถ้าปฏิบัติอย่างพระาจารย์อ่ะมันเหลือก็เอาไปแบ่งปันคนอื่นได้ค่ะสาธุค่ะค่ะมปที่อาจารย์พรหมเพล ย, ยคนนกโกลเตอรนยัง ใการุรการประจยไม่ได้นอนค่ะกูไม่เบ็ดมาใส่บาช้ใช่ค่ะหลายคนอยู่ค่ ะ, คะก็เป็นรุ่นที่แปดแล้วค่ะก็สร้างให้เขาเป็นเป็นมี Wisdom for Life and Social v a l u e ูสิคะไม่ได้ให้เขาต้องเจริญทางธุรกิจแต่ให้เขาเอาจิตใจไว้ไปช่วยเหลือคนอื่น แล้วก็มีปัญญาแห่งปันความสุขขึ้นมาพุ่งเลยใช่ใช่ค่ะถ้าเราจะได้ความสุขกลับมาเพิ่ม์ขึ้นอีกค่ะอืแต่ก็จะเอายังเอาคนเข้ามาใส่บาตรได้จํานวนได้เท่านี้นะคะต่อปีหกคนเจ็ดคนก็ไม่เป็นไม่จำเป็นจะต้องใส่บาตรเป็นอย่างเดียวทํำความดีอย่างอื่นได้่ำคนที่บ้านก็ได้ให้เป็นความเมตตาต่อคนที่บ้านด้วยกันก่อนค่ะ ทำบ้านหนาให้มีความสุขก่อนก่ะก็ที่จะไปสร้างความสุขในบ้านต้องสร้างความสุขในบ้านให้เกิดขึ้นก่อนออจริงไหมจริงค่ะก็ฟัองอย่างน้องๆที่อยู่ในในสู่มพอาจารย์แล้วแบบเรื่องไม่มีลูกที่บ้านก็คือไม่มีหลานเราก็เป็นครอบครัวเล็ก ทุกคนก็ฝักไยไม่มีลูกอยู่แค่นี้ดีกว่าพอแล้วแค่นี้ก็พออแล้วค่ะแล้วก็ตระกูลก็จบกันกันไปไม่รู้ว่าเราเกิดมาสร้างบุญดีกว่าค่ะคือเราไม่ค่ะไม่ได้แอนตี้เด็กแม่แอนตี้ะเพียงแต่ว่าถ้ามองด้วยเห็นได้ผลแล้วการไม่มีมันสบายกว่าแต่ถ้าคนอยากจะมีก็ไม่ห้ามไม่ว่า บางทีก็ยัง <Montgomery> ต mm ้องมีความสุขกับวามนั่งนีนี่อยู่สมัยเราเราก็ไม่รู้แล้วค่ะเราก็รู้ว่ามีครอบครัวก็ต้องมีลูกแต่พอลูกเขามีครอบครัวเองแล้วเขาก็จะไปเห็นว่าทำไมบ้านนู้นบ้านนี้มันมันวุ่นวายเพื่อนๆมีลูกแล้ววุ่นวายไปหาโรงเรียนอยู่ไปนู่นไปนี่ภารกิจกิจกรมเยอะๆไปหมดเยอะๆไปหมดที่ทำให้ใจวุ่นวายค่ะเราก็เลยอยู่แบบ พอเพียงอย่างนี้แล้วก็ทําบุญทํากุศลให้นู่นให้นี่แจงนู้นแจงนี้นะคะไปทําบุญทําไปเรื่อยทุกคนก็เลยมีความสุขดีโอเคดีมากค่ะทําใจให้สุขเลี้ยงลูกเราให้สุขใจวองเราคือลูกของเราค่ะลูกก็ตอนนี้ลูกเลี้ยงเราเดินลงบันไดก็บอกระวางเอคือระวางหมดถ้าเราไปสองคนไม่เป็นไรแต่เขาไปด้วยปุ๊บ คือเขาระวังให้เราระวังเดี๋ยวเราลงมเขาไม่อยากจะมาเป็นภาระด้วยแล้วก็ตางคนตั้งเป็นภาระซึ่นกันและกันมันเหลือกันต่างกอยู่กันแค่หกคนโอเคอยู่สุขภาพแข็งแรงนะอยู่ไปยันานๆค่ะพระอาจารย์ท่านแข็งแรงค่ะท่านเจ้าคนนิสาต่อคนนิสา กาวในมัตรการค่ะอาจารย์ชุก่อนก็ไม่มีอะไรค่ะก็พยายามทําใจให้สงบค่ะพอาจารย์อืมก็ก่นละนินค่ะอาจารย์กินแล้วนอนนังโมวีี่ <c oughs> ใช่ค่ะชอบจังเลยคำนี้ <Okay. S 2> <c oughs> แต่กับแต่ถ้าทำอย่างนี้นก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะพะอาจารย์ก็ แต่ว่าก็ไม่มีอะไรจะทาค่ะเราไม่มีอะไรจะทำนะความมีความสุขนะมีแสทอะไรก็มันทำอะไรก็เป็นเนื้อข้ามอันนี้มาจากหลวงตาแล้วเปล่าคะใช่ปะคะได้ยินท่าน่าก็พูดคุยสนุกันอ๋อค่ะพระอาจารย์ก็จริงๆคนเราก็ไม่มีอะไรจริงๆมันก็มีแค่นี้ค่ะพระอาจารย์กินแล้วนอนกินแล้วนอนก่อนละนินก่นลนินค่ะพระอาจารย์ก็ไม่มีอะไรลูกก็ พยายามมีสติอะค่ะพรอาจารย์พระแมมันจุดนั้นพระแม่มันถึงจุดนั้นให้ได้ในการทำมีความสุขค่ะพระอาจารย์มีอะไรกระทบมาแต่ละวันก็ปล่อยวางได้หมดปล่อยวางค่ะอาจารย์บางทีก็แบบมันร้อนนั่งสมาธิลําบากอะไรอย่าเงี้ยก็ต้องอดทนค่ะพระอาจารย์จะเปิดแอร์ก็แบบโอ้ยรู้สึกว่ามันจะสบายไปถูกต้องถ้าอยากจะพัฒนาจิตใจด้วยธรรมะเราต้องค่ะ อ่านกอทุกข์ให้ได้ค่ะพรอาจารย์ค่ะพระอ า, าจารย์ก็ต้องอยู่กับมันนะคะพรอาจารย์อแปลกไวนะ้นะกางทุกข์ก็เป็นหมือนนิรับสติปัญญาค่ะก็มีปัญญาเบาเกินค่ะพรอาจารย์ก็คิดว่าเออแต่ก่อนเขาก็อยู่กันได้ไม่เห็นต้องมีแอรเลยอืมค่ะอ า, าจารย์ก็ต้องก็ต้องอยู่ให้ได้ค่ะพายามอยู่แบบนี้มากที่สุดท่านที่จะทําได้การชีวิตอาจารไม่วุ่นวายค่ะ ถ้าต้องเพิ่มสิ่งนั้นเพิ่มสิ่งนี้มันจะวุ่นวายเพราะสิ่งต่างๆมันไม่แน่นอนคอเดี๋ยวไอ้นั้นก็เสียเดี๋ยว้ น, นี่ก็เสียค่ะค่ะอาจารย์แล้วก็เราก็ไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงสงครามจะเกิดไหมค่ะอาจารย์ม <c oughs> ันนี่มันกม็มันก็ไม่เปลี่ยนสํามการของชีวิตแล้วเราก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนเดิมนะจริงค่ะพระอาจารย์สุดท้ายทุกคนก็ต้องตายเหมือนกันค่อะอาจารย์ จะมีสังร а วไม่มีสัง ка วก็ไม่ไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าวิตกค่ะอาจารย์ตอนแรกก็ค่ะอาจารย์น่าพิถ่ก็คือว่าเราทําข้อสอบตรงเราได้หรือเปล่าเราสอบเราสอบผ่านความแก่ความเจ็บความตายได้หรือเปล่าอันนี้สําคัญกว่าค่ะอาจารย์ถ้าผ่านข้อสอบนี้ได้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่เป็นปัญหาเลยนะมันไม่มันไม่มันไม่หนับหนาสาหะตั้งแต่ข้อสอบของเราที่เราจะต้องทํากันค่ะ ค่ะอาจารย์แล้วอย่าลืมข้อสอบกิเลมันชอบเราให้เราไปทําข้อสอบข้อนนู้นข้อนี้กันไม่ให้เรามาทําข้อสอบที่แท้จริงของเร า, เาจริงค่ะอาจารย์อล้วคำวนกันเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องเศรษฐกิจเรื่องน้ํามันขึ้นราคาแพงมีน้ํามันใช้หรือเปล่าคใช่ค่ะอาจารย์เลยพูดเรื่องกิบ จ, จอยค่ะอาจารย์จริงๆด้วยค่ะอาจารย์ วุ่นวายลูกมันวุ่นวายค่ะพระอาจารย์แต่สุดท้ายมันก็ไม่พ้นสัตธรรมมันนีอะค่ะพระอาจารย์ถ้าเราผ่นข้าสับได้เราจะอยู่อย่างสบายไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่มีตกตะวันอะไรจะเกิดก็เกิดก็อยู่มันไปมนไม่ได้ก็ตายก็มี่นั้นไม่อดไม่ตายก็อดก่นหมดเดี๋ยวก็ตายค่เวลาความตายก็คือมันก็ปัญหาทุกอย่างก็จะหมดไป ไอ้ที่ตายาก็ไม่ใช่เราเพราะถ้าเราทำข้อสอบผ่านเราก็จะรู้ว่าไอ้ที่ตายมันก็ไม่ใช่เราเราไม่ได้ตายไปกับมันเท่าหร่ร่างกายไม่ใช่เราเราเป็นผู้รู้เป็นจิตเป็นธาตุรู้ที่ไม่มีวันตายาแต่มาลองคิดว่าเป็นร่างกายก็เลยทุกข์ไปกับร่างกายเ อ, อาแยได้เลยปัญญาแล้วมันก็ปล่อยวางร่างกายได้ทุกข์ก็จะไม่มี อืมโอเคอย่างนี้ข้อสอบนี่นะการทำข้อสอบนี้เวลาให้ผ่านให้ได้เวลาไม่ใกล้จะหมดแล้วนะค่ะพระอาจารย์เถึงจะเขากดกันดิ่งอาจารย์กดกันดิ่งกันเลยว่าหมดเวลาทําข้อสอบแล้วนะพยายามค่ะคระอาจารย์อืมโอเคค่ะพระอาจารย์น้อมนําปฏิบัติค่ะขอให้พระอาจารย์ท่านแข็งแรงค่ะอืมอ่าใบที่น้องแนนคุณแนน ยัไงไงทำอสอบเสร็จได้แล้วกนะาสกรกับอาจาร์บอสบายบ่ะู <c oughs> เลยค่ะเราก็เไปก็รู้แต่ว่ารู้แล้วก็ไม่ปรุงต่อค่ะมันก็เริ่มอยู่ได้ละคะ่พะพอาจารย์มันเริ่มเฉยเยนะค ะ, ะอาจารย์ไม่กความแก่ไม่ทุกกับความเจ็บไม่ทุกกับความตายนะเจา้จาค่ะไม่ถูกเจ้าค่ะอืมนี่ขอบคุณอาจารย์มากๆเค่ะแล้วก็ ยังไงยังกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายเยอะค่ะนมรสการค่ะไม่กลัวค่ะไม่กลัวแต่ไม่กล้าเนาะอ่านหนังสือเบนจังข้าสูตรจบแล้วค่ะว่าอาจารย์เป็นยังไงได้วความรู้ก<อ>็ก็ <ๆ S 1> ดีค่ะอ่านให้แฟนฟังด้วยออืรู้ไปด้วยกันทำไมเขาไม่เขาขีา้เกียนอ่านเนาะ เขาไม่ค่อยอ่านหนังสือแบบนี้อะคะ่ะแต่ว่าของตัวเองเวลารู้เรื่องอะไรมาเงี้ยจะชอบเล่าให้ใหแฟนฟังอะคะ่ <c oughs> <c oughs> ะอืแต่ได้แบบรู้รู้ไปด้วยกันเวลาคุยกันจะได้อยู่ในหน้าหนังสือเดียวกันนะคะเป็นความรู้ที่หายากนะเนี่ยพระสนตรหเนี้ยถ้าไม่มีพระท่าจามาตัดสินแยังไม่มีใครสอนความรู้หล่านี้ค่ไปเรียนที่ไหนก็ไม่มีใครก็สอนหรอกที่มันอริยสัจสี่มากแปด เป็นการสอนฐานหา้าอัยยะนหกใช่ค่ะอัยยะฐานหกเป็นของร้อนอ่าเป็นไฟค่ะอ่ะก็เป็นอาทิตย์ ก, ก็ก็เลยลิงก์กันนะอ่าอาทิตก็คือความร้อนก็วกนี้นักบวชเขาบูชาพระอาทิตย์เป็นพระเจ้าไลใช่ค่ะพระเจ้าก็เลยเอาพระเจ้าของเขาสามารถความร้อนที่แท้จริงก็คือความร้อนที่เกิดจากความโลภความโกรธความหลง เวาไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆใช่ไหมเห<ช>็นเงิก็ใจก็ร้ <สม S 1> <ก>อน ข, ขึ้นมาเลยเห็น ใ, <จ S 2> <ๆ>ใจก็ร้อนขึ้นมาทันทีเห็นอะไรก็ร้อนขึ้นมาทันทีใจยังมไม่เฉยใจยังไม่เย็นไม่ร้อนด้วยความรักก็ร้อนด้วยความชังไม่ร้อนด้วยความรักความชังก็ร้อนด้วยความหลงอืนั่นอกเราตลอดเวลาคีดเลยเออ ด, ดีนะังสือได้ไ้ยดีนะมีประโยชน์นะดีมากค่ะพ่าอาจารย์เขียนสรุปด้วยรวบรวมไว้คำสอนที่ำทจำเป็นที่สำคัญต่อการหลับความทุกข์ทางใจก็มีแค่นี้แหละถ้าประสรนี้ถ้าสามารถนำมาปปฏิบัติได้ก็บรรุมากผลนิพพานได้ตอนนี้อ่านแล้วขั้นต่อไปก็ลาาองเอาไปปฏิบัติดูนะค่ะ <c oughs> ก็ก็มีใจความสําคัญก็คือสักแต่ว่ารู้อาศัยะละลึกอย่าอย่ายึดติดนะค ะ, ะแห้ให้ปล่อยวางนะคะเจะทํายังไงให้มันเป็นอย่างนี้ไปก็ต้องมีสติมีสมาธิมีโอเบคาเนี่ยที่เราคานกันก็คือสติสมาธิ อ, าอุเบขาใจเรายัางลอยไปลอยมาลอยให้อยู่พุโทโธก็อยู่ได้แค่สองสามวินาทีแล้วไปนะ<า>คิดไปเรื่องนั้นคิดไปตรงนี้นแล้ม มันต้องมีพุโทโธพุโทโธไปอย่างเดียวไม่คิดถึงอะไรเลยไอ้นี่เวนั่งสมที่จิตก็รวมเลยรวมเข้าสมาธิได้พอเข้าสมาธิได้ก็สักแต่ว่ารู้ว่าเห็นรู้ว่าสักแต่ว่ารู้เป็นยังไงรู้เฉยๆเพาไม่เบะขาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงพยายามฝึกเยอะๆสติถ้าอยากจะบรรลุธรรมทำอันแรกที่ต้องฝึกก็คือสติ สเิเป็นทำที่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีสติแล้วทำอย่างอื่นก็เกิดขึ้นมาไม่ได้โอเคนะค่ะขอบพระคุณค่ะอ่าขอบคุณแปมคุณแปม เ, เชิญนั่งได้ข้ามานานแล้วนะอ่าพูดได้นะ กลับน้มัสมการพระอาจารย์เจ้าค่ะไม่ได้เข้านานเข้ายากเหมือนกันเจ้าค่ะอคนเข้ากันเยอะเขาก็ต้องจัดคิวถ้าเข้ามาเยอะมากเกไปเดี๋ยวเวลามันไม่พอเจ้าค่ะเดี๋ยวถ้าเวลามนเหลือเขาก็จะเปิดให้คนที่รออยู่เข้ามาอีกอันนี้ยังรออยู่อีกห้าคนเหมือนเจ้าค่ะมีอะไรไหมลูกมีนิดนึงเจ้าค่ะว่าลูกปฏิบัติธรรม ปกติแล้วลูกท่องอีทีปีโศเหมือนเหมือนจะจะติดอีทีปีโศเจ้าค่ะแล้วบางทีเหมือนพอพอพอนึงได้ก็พอลืมไปคิดเรื่องอื่นแต่ลูกก็กลับมาท่องต่ออย่างงี้ยเจ้าค่ะแล้วมั น, ม, นมันเหมือนติดแล้วบางทีเหมือนเหมือนยาวไปเหมือนเพลินเหมือนเพลินก็เลยลองเปลี่ยนมาพูดโธพูดโทก็ไม่ค่อยออกเจ้าค่ะ ล, ลูกก็แล้วก็ต้องสลับไปสลับมาบ้าง บางครั้งสวดยาวก็ดีบางครั้งก็สวดสั้นก็ดีก็ดูผลก็แล้กันตางเวลาตามหัวจราไม่อยากจะสวดยาวเราก็มาสวนสั้นเจ้าค่ะลูก ก, ก็ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเจ้าค่ะบางทีก็ลองลองพูดโทรดูบางทีก็พูดโทรได้เหมือนจะนิดนึงได้ไม่ไม่เยอะได้ไม่นานเจ้าค่ะแล้วก็ไปคิดเรื่องอื่นอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ เมเราคนเดินกลับมาเดินกลับมาเยอะเรลยไม่มาเกือบเหมืนชักก็เยอะกันเขาเดินไปแล้วก็เดินกลับมามาอยู่กับพุทโธกับมาอยู่การสวดอ่านสวดนานๆสวดพระสวดอย่างสติปัฏฐานสวดเนี่ยหรือธรรมจักกับบวชนะสวดเนี่ยเราลองสวดให้มันจบทั้งพระสวดเลยสวดภาษาแปลก็ได้ภาษาไทยในหนังสือบรนจางเนี่ย พราะถ้าเราเข้าถ้าสวดภาษาไทยเราจะเข้าใจความหมายด้วยจะได้<ช>ปัญหา<ช><ช>ด้วยแต่ก็ถาอยากจะสวดบาลีก็ได้อันนี้ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีข้อห้ามแต่อย่างไดแต่ถ้าอยากจะยินนกทีเดียวได้สองตัวกระสุนนั่นเดียวได้สองตัวก็สวดเป็นภาษาไทยดีกว่าจะได้เขา้าได้ความรู้ด้วยได้สมาธิได้สติด้วยครับโดยปกติแล้วลูกก็ทําสวดแบบ ทำวัดช้าวัดเย็นเจ้าค่ะอก็ได้ขอให้สวดว่าการสวดนี่เป็นการเจริญสติถ้าสวดแล้วใจเราไม่ไปคิดเรื่องอื่นส่วนนล้วใจใจเราต้องอยู่จดจ่ออยู่กับการสวดเพียงอย่างเดียวเจ้าค่ะลูกก็ทําเหมือนที่พระอาจารย์บอกว่าถ้าถ้าถ้าถ้าช้าแล้วเหมือนเออ่ไปคิดเรื่องอื่นลูกก็จะเปลี่ยนมาเป็นเร็ว ถ้าเร็วลราไปคิดเรื่องอื่นลูกก็จะเป็นช้าอย่างเงี้ยเจ้าค่ะสลับกันเนีค่ะเขาสวดที่มันยากหน่อยอสวดอาการสามสิบสองเดียวก็ได้เอาสามสิบสองนี่เก็บตลอดเวลาเหมือนกันเจ้าค่ะสวดย้อนกลับด้วยถอยนลังด้วยอันนี้ได้เจ้าค่ะอันนี้ได้อันนี้คล่องเลยเจ้าค่ะอแล้วก็ก็จะมีก่อนอย่างอย่างก่อนจะไหวพาศูนย์มน์อย่างนี้ก็จะจะท่องอ เกิดแก่เจ็บตายก่อนแล้วก็ต่อด้วยอาการ312แล้วก็ค่อยมาอีดพิโสต่อเจ้าค่ะอืมแต่ว่าพูดโทรเขายากเจ้าค่ะยังมันยังไม่อยอมยอมไม่อโทรก็ไม่เป็นไรทำอย่างอื่นไปก่อนไรืว่าเราลองหยุดสุดแล้วเราดูลมหายใจได้ก็เราดูลมหายดูเฉยๆไปได้ก็ดูลมหายใจไปก็ได้เคยลองเหมือนกันอืมถ้าใจไม่คิดอะไรก็ลองไม่ได้ไม่ได้ เจ้าค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะกำลังสติยังไม่พอก็เลยกลับไปทำเหมือนเดิมแล้วก็สวนไปก่อนเจ้าค่ะแล้วก็ลูกได้ไปปฏิบัติไปขึ้นเขาเมื่อวันที่สองวันที่สามวันที่สี่ไปวันแรกก็รู้สึกไม่กลัวเจ้าค่ะก็ตอนกลางคืนก็ลงมาเดินจงกรม แต่พอคืนที่สองกลัวเจ้าคะ่ะสองตกเจ้าคะ่ะถ้ากลัวก็เลยใช้สติขึ้นมาหยุดมันได้พูดถ่อพุดถ่อนแล้วเล่เพบุกชวนไอีไปสไปก็ได้ก่อนก่อนไปฝันนะเจ้าคะ่ะก็เลยก็เลยเกิดความกลัวฝันแล้วมันมันตรงกับกับเหตุการณ์ในในในตอนนั้นก็เลยรู้สึกกลัวเจ้าค่ะดีฝันว่าโดน ขอเล่าความฝันนิดหนึ่งเจ้าค่ะฝันว่าโดนตุ๊กแกกัดนะเจ้าค่ะก็เลยเกัดจนจนตัวตุ๊กแกเนี่ยหัวขาดก็เลยพอไปแล้วก็ไปเจอไปอยู่เรือนสี่ไปเจอเจอตุ๊กแกเจ้าค่ะอืมแล้วก็ลูกก็เดินหลบมันก็เดินตามลูกแล้วก็เลยเกิดความกลัวเลยเจ้าค่ะอ <laughs> สอบตกเจ้าค่ะไม่จ็เกันดูจยจมันใส่ถุงมือชันเตงเับไว้ปล่อยให้ตอนนั้นคิด ตอนนั้นคิดอย่างนั้นเหมือนกันค่ะก่อนก่อนก่อนที่จะไปนะเจ้าค่ะก่อนที่จะไปคิดว่าจะเจอจะจะลองจับดูเอาเข้าจริงไม่กล้เาเจ้าค่ะไม่กล้าเอาค่ะคิดไว้แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่กล้าเอาทงมือใส่ทงมือแล้วเอาผ้าผ้าเช็ดมือจะจ so <c ance> ับจับมันถ้ากไม่ถ้าจับมือป่าแล้วปวดอยังขยะขยงอยู่ว่าหาผ้าเช็ดมือใช็ดอะไรมาจับ คิดไว้แต่ว่าไม่กล้าเจ้าขาแล้วลแล้วเป็นเจ้าขาแล้วคืนคืนคืนที่สองก็เป็นคืนวันมาคาบูชารู้ก็เลยไม่กล้าก็ได้แต่สวดมนต์อยู่ในเรือนแล้วก็นั่งสมาธิในเรือนไปรอบนี้สมาธิไม่ดีเลยเจ้าขาอ่าหนังสือสเตกช่างหาหมดเพราะความกลัวมันมาขยับไม่สามารถเลสเตกมาได้ทั น, ทนการ นั่งก็จะหลับอย่างเดียวเจ้าค่ะเดินจงกลมก็เดินชั่วโมงกว่าก็ก็ไม่มีสติเหมือนกันลูกก็เลยเดินไปน้งส่วนไปด้วยเดินไปสวนไปเจ้าค่ะก็ก็เหมือนที่บอกว่าถ้าเลรู้สึกว่าอยู่กับอีอทิพีโสนานๆแล้วมันเหมือนเพลินเหมือนไปไปคิดอย่างอื่นลูกก็มาลองพูดโทแล้วก็ชั่วโมงก็อยู่อย่างนั้นชั่วโมงกว่าก็เลยลองขึ้นเรือนไป ไปไหว้พระสวดมุนนั่งสมาธิไม่ได้ลูกก็ลองมานั่งอ่านหนังสือธรรมะของพระอาจารย์ก็ถ้าหลับอีกเจ้าคขาไปรอบนี้ไม่ได้เลยอืมก็ไม่เป็นไรแสดงว่าเราเราเสียหลักเลื่อสติไปต่ อ, อไปต้องจดจำแล้วว่าพอเกิดอะไรขึ้นมาแสดงว่าเราไม่มีสติแล้วต้องเลื่อมเรื่องสติขึ้นมา ก, ก่อนเจ้าคขะ ไว้ไวข้างหน้าไปใหม่เจ้าค่ะเอาใหม่เจ้าค่ะดีต้องต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะเค่ะอ่าคุณยินดีอันนี้หนาวหรือยังไม่หนาวแล้วตอนนี้อากาศดีแล้วค่ะแต่เนี่ยค่ะสองวันเขาบอกภายในอาทิตย์เนี้ยเดี๋ยวหิมะมาอีกค่ะท่านอาจารย์ยังไม่หมดนะยังค่ะยังแต่ ขึ้นเยอะเลยค่ะท่านอาจารย์แล้วก็แข็งอะไรหมดได้ยังยังค่ะหรือหิมนิดเดียวค่ะท่านอาจารย์ตอนนี้ได้เห็นแล้วค่ะท่านอาจารย์แต่ก็ยังมีแบบเป็นหย่อมๆที่ยังคายอยู่แล้วก็เมื่อสองวันก่อนพอเปลี่ยนเออ่เวลาหนูนั่งสมาธิอยู่หนูได้ยินเสียงนกร้องเป็นครั้งแรกค่ะท่านอาจารย์เพิ่งได้ยินเสียงนกร้องก็จะเดิว่า อ, อ, อากาศจะน่าปวดขึ้นนะ ใช่ค่ะท่าอาจารย์ก็อากาศเริ่มดีขึ้นค่ะท่าอาจารย์ลูกก็ไม่มีอะไรค่ะเข้ามาฟังธรรมะกับเพื่อนๆค่ะแล้วก็เดวิดเหมือนเดิมค่ะท่าอาจารย์ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงบอลซองเต้เหมือนเดิมค่ะท่ า, าขข อ, า, า, า, อ, อ, อาจารย์ลูกขอบคุณมากมากนะลูกขอบคุณมากค่ะท่านอาจารย์ลูกขอบคุณ <ๆ S 2> <น>อย่างสอดคุณจอยต่อใจลูกชาวยอยู่ว่าบ่าชายนี่ซีบือตอนนี้เป็นในุนเองมาเด้ดีดี ใช่ไงไงวะแต่ช<ห>นี้ทักทายกันไม่ยอมทักทายตอบกลับเลยเขาไม่ตื่นหรอเขาเขาไปหลับรถต่อแล้วพอมา <yeah S 1> ถึงหนุ่มพ่ออพาจามาหนูก็เรียกให้เขาลงมาใส่บายก็ยืนก็เหาหลับหลับทั้งยืนนะยืแต่พอกันคืนเนี่ยหน้าตาสดใสอะค่มนอนเด็กทุกคืนอย่างนี้แหละใช่หนูพยายามให้นอนเร็วอยู่นี่ก็ อพอสอบไม่มีให้เรียนแล้วคะ่ะก็เรียนเรียนอยู่นี่ในการตลอดของหนูว่าเหมือนเดิมคะ่ะวันที่พระอาจารย์บอกให้หนูฝึกกับคนอยู่นะคะอะไรเนะยของหนูว่าเหมือนเดิมฝึกอยู่กับคนอยู่คะ่ะฝึกความกระทชนอยู่กับคนอ่ต้องเมตตานะต้องเมตตาอุเบกขาปล่อยว่าถ้าต้องอต้องทําอะไรก็ทำในทางเมตตา อ่ะทำด้วยความโกรธด้วยความเกลียดอ๋อต้องทำด้วยด้วยสติทำด้วยใจที่มีความเมตตาให้อภัยแม่ถือสามันมองเขาเป็นเหมือนลูกเราเนี่ยลูกเราเราไม่ค่อโกรธเขาเท่าไหร่หรือมีโกรธบ้านแต่ก็ <c oughs> ต้องให้อภัย <c oughs> ใช่ไหมค่ะมันก็เราให้อภัยลูกอะมองเขาเป็นเหมือนลูกเราค่ะ <c oughs> ห น, หนูจะบอกพอจารย์ว่าวันพระมันมาคาคนเยวมากใส่บาเนยะ ใ, ใช่ค่ะวันพ้าคนที่ไปใส่บาเยอะมากพันหนึ่งร้อแปดสิบคนยังไม่เท่าปีที่แล้วปีที่แล้วพันสองรตอยห้าสิบขนานหนูก็กว่าแบบคนเยียเพราะหนูไปไปครั้งคือครั้ทงที่้ น, นานหน่อยก็สงชั่วโมงกว่าม่นวิ่วายกันจะเสร็จ น่เาเลยค่ะแล้วแล้วพอหลวงตาจะกลับถึงวัดเรจะได้ฉันนะคะโหน่าจะนานใช่สิบโมงกว่าโหใช่ค่ะเ่าะคนเยอะอืมแต่เราช่วงดีเราไม่ต้องเดินน่าจะมีฐานะโครงการพระที่ต้องเดินสองยกสองขนแต่ท่านก็อดทนดีนะต่านก็ฝึกขันติอ๋อได้ฝึกได้ฝึก ล้เนี่ยเดี๋ยววันวันจันรพี่สาวพขาจะเชิญไปถือศีลแต่ว่าอันนี้เขาไปถือศีลที่วัดป่าค่ะไปไปสวดมนต์แล้วก็แล้วก็กลับแต่ว่าไม่ไม่ได้สวดไม่ได้ถือทางบันนะคะเป็นเป็นแบบถ้าตอนเราสวดมนต์ล้วก็ถือศีลแปดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะัดป่าสุดที่พรวันนะใช่ไหมทไมรู้วันไหนวนป่าคลองสิบห้าค่ะแล้วพ่อจะรย์หลพอจมรักหงพ่อจมรักมีหลายวันด้วยกันค่ะใช่ค่ะ ก็ดีว่าไหนก็ดีถ้ามีกิจกรรมทานสีภาวนาก็ถือว่าใช้ได้ค่ะหนูก็สะสมทำไปค่ะเพื่อใช้ไม่ถึงทางที่ใช่บาททุกอาทิตอย่างนี้ทุกวันพ้าอยาให้ขาดคตีนห้าพยายามรักษาให้สุรายยาเมาอย่าไปดื่มนะออบายยาบุญอย่าไปเสกเรื่องการพนันเดี่ยวกลางคืนอวกนี้แล้วซื้ือลอตเรี่เป็นอบายไ่มคะ ถ้าถ้าซื้อแบบลงทุนก็ไม่เป็นอะไรซื้อแบบเสียงโชคพอห้องป่าห้องคอก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าถ้าซื้อเปนแบบว่าเอาเป็นนอตตายเนี่ยอย่างเงี้ยไม่สบายถ้าซื้อเป็นอาชีพอย่างเงี้ยทำอาชีพทำอาชีพซื้ อ, อขายลอตเตอรี่หวังว่าจะรวยจากการทำอาชีพนี้อย่างเงี้ยไม่ได้หนูหนูวีเค้าหวังว่าหนูว่าอยากถูกรางวัลใช่ไหมเพื่อหนูจะเอาเงินให้ลูกแล้วหนูจะไปบวช หนูก็เลยอยากจะลองซื้อทักทั้งใบสองใบยอย่างนั้นเละใบทั้งใบเวลายังยัไปทุ่มเทกระทั่งขาดทุนหมดตัวก็แล้วกันอะอหนูคิดว่าถ้าคือปัจจัยของเด็กอะคือเขาต้องใช้เงินแต่หนูอะทุกวันนี้หนูก็ทาเพื่อเพื่อเขาใช่ไหมอ่าปัตในความอยากของหนูว่ามันอย่างแจกที่ทุกคนพูดอะพอเข้ามาอยู่ในนี้แล้วอะมันมันไม่มีความอยากอะไรแล้วอ ะ, อ, ะอยากแค่ให้ลูกกินอยากอยากไปทําบุญ แต่ก็เลี้ยงมันไปตามมีตามเกิดนะอยาไปร่วมบ้างเลยโรงเรียนมัดก็มีเรียนฟรีก็มีเยอะแยะเลย น, นี่เขากดถึลลงรเรียนว่าอยู่แต่หนูหยว่าคนโตอีกเนี่ยเดี๋ยวเพราออีกคนก็ต้องเข้ามาหาลัยอะไรอย่างเงี้ยแตเรยแบบว่าแล้วนี่เขาก็มีให้กู้ด้กอยศอะไรนี่ก็พู้ไปคก็พี่สาวเขาบอกลองให้แนะนํำลองสาวอยู่ให้ลองกู้คนโตที่ไม่อยู่เชียงรายอ่ะอืมอีกปีหน้าเขาก็จะจบละพี่ปีนี่ปีสามปีหน้าปีสี โอเคนะอาจารย์ก่อนนะอ่าคนะุณปุ้ยรักเสมอการนมัสการค่ะพระอาจารย์คุณปุ้ยรายงานตัวค่ะไม่ใช่อ น, นะไม่ใช่ค่ะว่าจ้า ก็มาโยมก็ปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบทุกวันค่ะถือศีลแปดกลางวันน่ะถือศีลเจ็ดจุดห้ากลางวันนะแล้วก็เพราะ ก, ก, ก็หลังจากเย็นไปโยมก็ถือศีลแปดมาตลอดโยมไม่ทานเข้าเย็นเลยปีเนี้ยหลังจากเดือนกุมภาพันธ์เนี้ย เ, เข้าปีที่สี่แล้วนะคะพรอาจารย์ที่โยมปฏิบัตรรินําอาจารย์มาโยมก็กราบขอบพคุณพระอาจารย์มันจะมีอยู่สองวันที่ที่ผ่านมาเนี่ย โยมรู้สึกว่าโยมโดนกันแกง้งคือเวลาโยมจะนั่งสมาธินเนี่ยมันจะมีเหมือนกับตัวอะไรเลื่อยๆอยู่บนหัวอะไรเลื่อยอยู่อยู่แบบมันทําให้เรามันคือโยมไม่เคยเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะคิด<ต>ว่าเป็นมีนมนบาปกรรมเราแล้วก็แล้วกันใช่ค่ะโยมก็เลยขอพระพุทธเจ้าเมื่อเมือม่อเมื่อวานนี้ตอนนั้นคืนโยมก็ขอตั้งจิตอธิษฐานเลยขอว่าถ้าโยมอะจะได้เดินทธรรมขอให้มันหยุดนะ ข อ, อ, อไม่ได้หรอกขอบางทีมันก็ได้บางทีก็ไม่ได้ถ้าขอแล้นไม่ได้ก็จะเสียใจอย่ า, ยาไปขอเลยยินดีน้อมรับกรรมของเราไปาดีกบ่าที่ว่าเป็นกรรมของเราไปโยมก็เมื่อชาวนี้โยมก็นั่งสมาธิได้ดีโยมก็รู้สึกว่า มันมันอาจจะเป็นตัวที่มากัดแก้งหรือมันอาจจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บริ้งซึ่งเป็นมารประจ o เราอ่าอจจะเป็นทดสอบก็ได้อาจจะเป็นมารมาทดสอบขันเตะเข้าเราก็ได้จริงค่ะอันนี้เรื่องจริงคะเยอะแต่ละนอกจากนีิยมก็ไม่มีอะไรเพราะตั้งแต่โยงปฏิบัติตามพระอาจารย์สอนโยมเดินทางทำตามพระอาจารย์แล้วโยมก็รู้สึกว่าชีวิตมันดีขึ้นเออไม่ว่าจะมาเรื่องเศรษฐกิจหรือด้านการเงินถึงเราจะแบบ เออยอมแบบถอยออกมาจากเรื่องวุ่นวายจากทางโลกแต่ว่ามาอยู่ทางธรรมแล้วมันไม่ใช่ว่าเราลำบากเราก็ดีกว่าเมื่อก่อนเยอะแยะเลยเอ่าแล้วเราก็สงบแล้วมันคือโยอมมีเหมือนคนเป็นโลกส่วนตัวว่าไม่อยากยุ่งอะไรกับใครอะไรอย่างเงี้นพระอาจารย์อ่าโยอมโยมก็หวังว่าโยมจะได้ไปนิพพานกับพระอาจารย์ค่ะบไปด้วยกันไม่ได้เหรอ ต้อไม่ให้เขาต้องไปของใครของมันทางใครทางมันปฏิบัติธรรมอาจารย์นะธรรมยายามยมพูดว่าใครถูกยอมยอมก็คงไม่ไปทางอื่นแล้วละค่ะยมไปทางนี้แหละอาจจะแบบว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหน่อยแบบยมก็มีพุทโธไปบางทีลืมบ้างอะไรอย่างแต่แต่สิ่งหนึ่งคือยมไม่ลืมที่ว่าต้องต้องพัฒนาไปให้มันดีขึ้นใช่ค่ะ เพราะท่านอาจารย์บอกว่าเอทุกวันต้องทําให้ดีกว่าเดิมโยมจาได้ <ผม S 1> แล้วแล้วแล้วถึงเป้าหมายให้วเราใช่ค่ะและโยมก็จําคําสอนพระอาจารย์อยู่เสมอเลยว่าเวลาสวดมนต์ให้ตั้งใจโยมก็ตั้งใจแล้วแบบเอาจิตวางตรงนั้นเลยเพราะว่าถ้าวันไหนที่โยมไม่ตั้งใจนี่เหมือนกับเมื่อเช้าเนี้โยมจะต่อสู้แบบมันเหมือนกับมันจะมีอะไรทําให้โยมจะหลับจะหลับด้วยเลยโยมก็เลบอ นึกถึงคาาําพระอาจารย์ว่าต <laughs> ั Daddy, ้งใจตั้งใจตั้งใจมันก็ไม่หลับมันก็เอลุกขึ้นมาสวดมนต์นั่งสมาธิได้เนี่ยยงก็เออเราก็เก่งเหมือนกันเนาะก็เลยให้คําำชมแบบนี้โยมก็กราบขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะต้องขอบพระคุณตัวเราเองตัวเราเป็นที่พิ่งมเราเองปฏิบาติต้องวสเตกตัวอย่างบรรยราบเค่ะยมก็ได้ พระอาจารย์นี่แหละค่ะได้คุม وم, ้มครงโยมก็ขอเดินทางทำอย่างนีตลอดไปเจ้าค่ะพระอาจารย์มารับพลังค่ะและวว้วมาสวสดเทิงสวสดเทิง ข, ขอเจริญเมื่ย อ, ยอยุวันโนสุขังพลังนะสาธิตเจ้าค่ะขอให้พระอาจารย์ทาดทานแขนแนง็งแรงเจ้าค่ะน้อมสวายทุกขกับพระอาจารย์เจ้าค่ะอวดเทิงสวดเทิคุณปุบ้บเ้ต กับสาธุค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์ได้ uh, <okay. S 2> าายินเอได้ยินของหนูก็ลุยทํางานแล้วเจ้าค่ะแล้วก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรกับกายค่ะ uh huh. เพราะว่าได้ของจริงแล้วของดีทางใจจากพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะอื uh huh. มันก็เลยเฉยๆเลยค่ะถึงแม่จะผากระโหลกเยอะๆส่วนใหญ่เขาเห็นว่าน่าสงสารค่ะพระอาจารย์ uh huh. แต่พอลุยทางใจแล้วมันของจริงเลยค่ะพระอาจารย์ก็เลยแบบบ้า ขงดีเลยนะคะพระอาจารย์เพราะว่าหนูชอบประเมินเพนสกรผู้ป่วยเนี่แหละค่ะพผาจา์ความปวดพอหนูมาเจอเองจริงๆโอ้โหใช่เลยค่ะพผาจาย์แล้วของดีที่สัมผัสได้จริงๆถึงแม้ร่างกายหนูจะพังคนจะสงสารค่ะพผาจาย์แต่หนูว่าโอ้รู้สึกแบบเหมือนนักกีฬาเลยค่ะพผาจาย์แล้วมีพระอาจารย์เป็นโค้ดนะคะพระอาจารย์เพื่อ ชนะกิเลสเพื่อพชสู้กับกิเลสในใจตัวเองคะ่ะมันนักมวยเลยนะคะพระอาจารย์หนูก<ม>็เลยว่าบาร์สอย่างกับนักกีฬาจริงๆค่ะพระอาจารย์เออเี่หนูก็เลยได้ของดีมีครูบาอาจารย์เป็นกาเออเป็นคนเป็นโค้ชนะคะที่ได้ช่วยพระอาจารย์แต่เวลาขึ้นเวทีแล้วต้องต้องดัวกลตัวมันนะเนะจริงค่ะพระอาจารย์ออมาล้อก็ต้องแบบ จบจะไปถามว่าพระอาจารย์จะทํายังไงต่อไม่ได้เราเจ้า่าต้องใช้ปัญญาเราเองนะค่ะอาจารย์มันพร้อมที่จะทําตัวแบบเหมือนคนงามอะไรอย่างเงี้ยดูดีอย่างเงี้ยค่ะพอาจารย์มันโดนหลอกมันหลอกอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์เราต้องแบบอย่าเชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็ได้ของดีจากการฟังธรรมเพราะว่าพอฟังมาเยอะแบบมันไม่ได้ช่วยแต่พอมาฟังพระอาจารย์เรา ของจริงแล้วหนูไม่ได้ตอนแรกหนูตกใจตรงที่ไม่ฝันค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยแบบเอ้าความฝันหนูหายเพราะว่าหนูชอบโพสลงเฟซบุ๊กค่ะพระอาจารย์แล้วหนูก็เลยตกใจตรงนี้เองเนี่แหละค่ะพระอาจารย์พอหนูรียปฏิบัติอีกโลกหนึ่งกับพระอาจารย์แล้วหนูก็เห็นเลยค่ะของดีทางใจหนูลืมเลยนะคะว่าหนูมีปัญหาทางกายเลยค่ะแล้วก็ไม่ค่อยได้ลัป่วยเลยค่ะพระอาจารย์ได้ใช่ค่ะอาจารย์อเ อนีบ้บัติเหตุอ เ, อ, เ, อ, เอ่อโคเบะตอนนี้เราหายหนาวอย่างญี่ปุน่นตช่วงอาทิตย์นี้กับเริ่มกับกลับมาหนาวอะคะ่ะแต่พอดูพยากรณ์อากาศอาทิตย์หน้าค่ะที่จะเริ่มอุ่นวันนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่เก้าต่ําสุดสองค่ะพระจา่าไม่มีหิมะนะหิมะไม่ลงนะไม่มีค่ะพา่ะจาอ่ม ที่จูบอยู่ในี่มีหิมะไหมช่วงหนาวๆมากมันจะมีบางทีบางบางปี ค, ะ<า>ค่ะพะจ้าไม่ไม่เป็นประจํำนะไม่เป็นประจําค่ะอืมมันก็จะมีถ้าถ้าเป็นปถ้าเป็นปกติมันก็คือจะตกเป็นหิมะแล้วก็พอถึงพื้นมันก็ละลายหมดอะค่ะคพะจ้ามันจะมีบางปีที่หนักๆแค่นั้นเองค่ะแต่ปีนี่ค่ะสบายๆนะค่ะมีอะไรไม่มคืนนี้จริงๆ ก็หนูก็พยายามปฏิบัติสม่ำเสมออยู่อะค่ะพระอาจารย์ตั้งใจเกาะไม่ให้หลุดคำถามเกี่ยวกับบรารมีค่ะพระอาจารย์มีคําถามระหว่างอธิษฐานบรารมีกับสัจจะบรารมีเนะ่ะมันต่างกันตรงไหนอะคะพระอาจารย์คืออธิษฐานเป็นการตั้งเป้าหมายว่าจะปฏิบัติสิ่งห้าดีไหมปฏิบัติสิงแปดดีไหม จ ะ, จะบัดจะบวชชีดีไหมนี่คืออธิษฐานเราจะต้องเลือกเอาทรมาจะเลริกเสียสินแปดอ่ะเราก็ต้องเริ่มรักษาสิ้นแปดไปตามที่เราตั้งใจอะทีนี้จะทําให้ให้เรารักษาสิ้นแปดได้โดยที่เราไม่ไม่เลือกเราก็ต้องมีสัจจะไม่เปลี่ยนใจสัจจะแปลว่าความจริงใจไม่โกหกตัวเราเอง ถ้ามีแต่ตั้งตั้งตั้งอธิษฐานไว้แล้วบางทีพอถึงเวลาอาจจะมีเหตเุมีเพื่อนมาชวนไปกินข้าวเย็นนี้ก็ลองไปกับเขาาเงี้ย้วขอเลิกวันหนึ่งอย่างเงี้แสดงว่าไม่มีสัจจะนะถ้ามีสัจจะพอตั้งแล้วใครยังมาชวนก็ไม่ไปกินแล้วไปได้แต่ไม่กินนะ ไ, ไปนั่งดูเขากินได้อยู่อัอนี้เรียกว่ามีสัจจะนอสัจจะก็คือ เราไม่หลองลูงตัวเราเองอะความจริงอสัจจะแปลว่าความจริงเสื่อสัจสุจริตสัตสจสจะเราตั้งสัจจะเราตั้งใจแล้วจะทําอะไรแล้วเราเอาสัจจะมามามัดไวท้ทีหนึ่งมันก็จะไม่มีข้อแม้ลนะเปลี่ยนไม่ได้อย่างพระพุทธเจ้านั่งนั่งใตยต้นโพท่านก็บอกว่าจะนั่งไเยังก่อนจะตัดทะลุถ้ายังไม่ตัดทะลกุก็จะไม่ลุกจากที่นั่งนี้ไปเออถ้าไม่ลุกอะ้น การกระท่านจะสัต์เสมอท่ามีสัจจะ ด, ด้วยบา<ค>งทีสองอย่างนี้มันไปด้วยกัน<ค>แต่มันมีความหมายต่างกันอธิษานคือการตั้งเป้าหมายของการกาะทำว่าเราจะทำอะไรย่รักษาสิบห้ า, ารักษาสิบแปดนั่งสมาธิกี่ชั่วโมงนี้เป็นต้นอย่างที่เด็กๆ เ, เขาพูดกันวันนี้นั่งได้สิบห้านาที<อ>นั่งได้สี่สิบห้านาที ต้องมีเป้าหมายอธิษฐานคือการตั้งเป้าหมายตั้งนั้นก็ไม่เปลี่ยนใจก็แสดงว่ามีสัจจะถ้าตั้งแล้วถึงเวลานั่งไม่ไหวเลิกการการคันนี้แสดงว่าไม่มีสัจจะไม่สามารถทําให้สําเร็จได้ตามทีม่ตั้งใจเอาไว้เรื่องดาวมี้องอันนี้มักจะไปคู่กันสัจจะอธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐาน อธิษฐานนี้มันไม่ได้มายความการขอนะเราเอาคําำอธิษฐานมาแปลเป็นคําขอกันอธิษฐานขอให้ได้ไปนิพพานเนี้มันขอไม่ได้หรอกของพวกนี้ของพวกนี้ต้องทำอ๋อคือการตั้งใจที่เราจะทําทําให้ไปถึงใ ห, ให้ให้ปฏิบัติให้ไปถึงพระ น, นิพพานเนี้มัน้งใจปฏิบัติไม่ใช่ขออยู่เฉยๆขอแล้วพระ น, นิพพานจะมาหาเรายางเป็นไปไม่ได้นะ อย่างคืนนี้เข้ามาในห้องนี้ก็ต้องมีตั้งอธิษฐานไว้ก่อนลงหน้าใช่ไหมคืนนี้วันนี้วันพุธวันพุธถึงเวล า, าจะต้องเข้ามาฟังสูงแล้วแต่ถ้ามีสัจจะเพื่อมาชวนไปทำอะไรอย่างอื่นก็ไม่ไปปฏิเสธไปแต่เข้าห้องนี้ให้ได้ตามที่ตั้งใจไว้ก็แล้วสดงว่ามีสัจจะถ้าไม่มีสัจจะเดี๋ยวมีเหตุอะไรขึ้นมาก็อาจจะเปลี่ยนใจได้เช่นอะจะมีเพื่อนมาชวนไปทํานู่นทํานี่ หรือเกิดไม่สบายขึ้นมาแต่ยังพอทําได้แต่่ไม่สบายก็เลยไม่ภายไม่ทําเลยดีกว่าถ้าไม่มีสัจจะถ้าไม่มีสัจจะถึงแม้จะไม่สบายถ้ายังมานั่งได้ก็ยังจะมานั่งให้ได้ตามที่เราได้รักษาเพื่อรักษาสัจจะของเราไว้เหตุการการมีสัจจะนี่เป็นการตัวบังคับอีกทีบังคับให้เราทําสิ่งที่เราตั้งใจจะทําถ้าไม่มีสัจจะนี่ก็ไม่มีตัวบังคับ มันก็ทำก็ได้ไม่ทาก็ได้นะเพราะเราไม่ได้ตั้งสัจจะไว้พอใจยังพอาจหรือจะคะพอใจเราตั้งสัจสจะไว้แล้วถึงเวลาก็ต้องมีวิริยะต้องมีความเพียรต้องเพียรพยายามทำตามในสิ่งที่เราตั้งใจไว้จนวันนี้เพียรเข้ามาอยู่ในห้องนี้ถ้าขี้เกียจนอนดีกว่าไม่มีก็จะไม่มีความเพียรก็เข้ามามไม่ได้อยู่ดีถึงยังไงจะมีสัจจะมีอะไรอยู่ แต่ไม่มีความเพียรมีความเกียดข้านขึ้นมานอนดีกว่าวิญญาะที่มันต้องคู่กับขันติเหมือนกับสัจจะคู่กับอธิษฐานอย่างนั้นมันก็คู่มันมาด้วยกันทั้งสี่ตัวนี้่ถึงจะสําเร็จอืทําความเพียนนั้นมันยากลําบากใช่ไหมมันก็ต้องอดทนท่านง่วงนอนแล้วก็ไม่อยากจะเข้าห้องซูมนี้เลยนอนดีกว่านัอถ้ามีขันติก็ต้องยอมอดทนกับการง่วงนอน ให้พาวิญาณบังคับให้เข้าห้องสูบนี้ไ ด, ได้นั้นจะทําอะไรสําเร็จต้องมีทําทั้งสี่มามีทั้งสี่ข้อนี้อย่างขอเจ้าตั้งสัจจะทิฏฐานมันจะนั่งภาวนาแล้วน่านก็มีความเพียรภาวนาไปจะเรียนสมาธิภาวนาจะเรียนวิปัสสนาภาวนาไปตามลำดับถ้าเมื้นร่ากายจะเจ็บปวดตรงนั้ น, ต ร, น, นตรงนี้ก็พ ย, ยายามพยายามอดทนมีขันติกพยายามเลือก จะเจ็บขแค่ไาหนจะป่วยแค่ไหนาก็ไม่ยอมเลิกไม่ยอมถอยแม้แต่แม้แต่เลือดในในในร่างกายแหเหแห้งไปท่านก็ไม่ถอยท่านตั้ ง, งทัดน์ใจไว้ยังไงคือเอาเอามีแค่สองทางถ้าไม่บรรลุ ก, ก็ตายอย่นี้เลิกขัายขยายพเจ้าค่ะมีอะไรอไหมไม่ไม่มีแล้วจ้าค่ะพระอาจารย์กลับขอบพระคุณพระเจ้าค่ะพระอาจารย์ อ่าถึงลูกค้ากับขอบคุณค่ะอ่าคนแนนต่อจําไม่ได้เลยคนแน่นในี้นักเดินลูกใหม่ขึ่บ้านกลับนมัสการค่ะไปไปวัดมาสองรอบแล้วค่ะแต่หลวงพ่อไม่มองหนูเลยมองจําน่าจะจําไม่ได้เออ <laughs> พอดีมันก็มีเงื่อนงอุนให้ให้ทําอยู่บางทีญาติโยมถวายข้าของก็ต้องจัดจดเก็บอะไรมันบางทีญาติโยมถวายแล้วก็วไม่ได้มองหน้าตากัน ค่ะหนูก็แอบว่าเอ๊ะหลวงพ่อเห็นน่าจะจําได้ไหมแต่แต่หลวงพ่อไม่ไม่ได้มองก็เลยวันนี้เลยหลวงพ่อน่าจะจําหนูไม่ได้อเต่พอเห็นช็อกโกแลตเขาจำได้ที่จําได้เพราะมีช็อกโกแลตเห็นช็อกโกแลตเออเจ้าค่ะก็ยังไงทำไมถึงตัดมีมีสาเหตุอะไรหรือเปล่าก็ก็เพราะหลุกมาฟังธรรมนี่แหละเจ้าค่ะหนนี่ตั้งแต่ เรียนตามตรงเลยพี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ตัดสั้นแบบสั้นครานี้เลยเพราะว่าตั้งแต่เด็กมาหนูเป็นคนไม่มั่นใจกับผมตัวเองเพราะว่าเป็นคนผมหยิกใช่ไหมเจ้าคะมันก็จะมันก็ดูแลยากแต่ว่าปล่อยก็ไม่กล้าปล่อยได้แต่มัดอะไรเงี้ยเจ้าค่ะแล้วยิ่งพอพอโตขึ้นก็ต้องไปยืดผมตลอดเลยยี่สิบปีมาเนี่ยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ารู้สึกว่าเป็นคนผมหยิกแล้วไม่สวยติดสวยคะ่ะติดสวยก็เลยอยากผมตรง แต่แแล้วคราวนี้พอพอเริ่มอายุมากขึ้นมันพอจะไม่ไม่ยืดก็เหนื่อยต้องมาดูแลเวลาไปทํางานนะเจ้าค่ะอต้องฉีดสเปรย์เยอะแล้วก็มันเวลาบินมันนานเงี้ยบางทีเราปวดหัวมันมันเคลียร์มันอะไรเงี้ยค่ะมันหลายอย่างพอสองสองปีนี้มาพอเข้ามาฟังธรรมะปุ๊บคิดแล้วว่าเออตัดตัดไปเลยตัดได้จากที่ไม่กล้าตัดตอนนี้เลยตัดซสั้นเลยค่ะ นะที่ทำงานไม่ไม่ที่ทํางานไม่ไม่ห้ามใช่ไหมไม่ห้ามเจ้าค่ะจริงๆเขาเขานักหนูน่าจะเป็นคนเดียวตอนเนี้ที่สั้นที่สุดในบริษัทแหละผู้หญิงเขาส่วนใหญ่เขาผมยาวมาดผมกันค่ะก็ก็รู้สึกดีเจ้าค่ะสบายกลายเป็นว่ากลายเป็นว่าสบายสบายใจสบายหัวสบายกายเอามาสวยทางใจดีกว่านะความเมตตาดีกว่าค่ะเมื่อก่อนยังแอบกลัวคนจะมองให้เรา สวยไม่สวยอะไรเงี้ยถ้าเรายังยึดติดรูปรักษ์เราตัวเองอยู่อะไรเงี้ยอย่างนี้ไม่สนใจผ้าคนหัวเป็นคนรักอะไรเงี้ยใช่ไหมเจ้าค่ะเราก็เลยเออก็เลยแบบเอ้รูปนี้ตัดนานแล้วดีกว่าอะไรเงี้ยดีค่ะค่อยๆค่อยๆตัดอะไรที่ไม่จําเป็นในชีวิตออกไปเจ้าค่ะให้มันเดียง่ายดีกว่าอย่าไปแพ้ละเลยค่ะตอนนี้ก็ตัดอะไรได้ก็ตัดเจ้าค่ะ ออยู่ง่ายๆสบายสันโดษเอาธรรมะ<ช>ของหลวงพ่อามาใช่นี่แหละเจ้าค่ะไปพูดอยู่เรื่อยอยากจะเไดกว่ า, าจะเจริศในธรรมเท่าไหร่ก็ดูที่ผมเรานี่หละ <c oughs> ยิ่งสั้นเท่าไหร่ก็แสดงว่ายิงาย่งเจริญขึ้นนะอ้สาธุเจ้าค่ะอยากจะเจริญไปเรื่อยๆเจ้าค่ะค่อยๆสะสมไปก็ไม่มผมเลยคงจะอีกต้องอีกสักพักนี้ต้องต้องออกจากงานก่อนได้ไม่เป็นไรเราได่พูดไปตาม ตามาทฤษฎีอือเห็นไหมพระพุทธเจ้าโกนหัวพ้าอะไรนั้งอะไรนัางก็โกนหัวทคไมแต่นี่นี่หนูแบบว่ายังแอบคิดว่านี่ยังสั้นไม่พอนะคะหนเรือ่องกลับมาเอากลับมาโกนเองออกไปตั้งเยอะนะคะหลวงพ่อจนที่บ้านนั่งบอกพ่อก่อนสั้นสั้นเกินไปแล้วลอะไรอย่างนี้ไม่ไม่ไม่ไม่เสียใจหมทกนที่ตัดสั้นอย่างนี้ไม่เสียใจเรา แ, แปลกใจตัวเองเหมือนกัน หนูใช้เวลาแค่ตอนกลางคืนนอนตัดสินใจปุ๊ว่าวันนี้ไปตัดผมดีกว่าหนูก็นอนไล่ดูลูบว่าจะตัดทรงไหนเสร็จแล้วก็ไปร้านทําผมเขาก็ตัดให้แต่ว่ามันสั้นมันยาวกว่านี้ยค่ะมันมันดูฟูหนูก็เลยกลับมาใช้มีดโกนที่เป็นเป็นหวีอะค่ะเล็มเล็มเองออกสนสั้นเลยแล้วก็ไปให้ร้านผู้ชายร้านตัดผมผู้ชายอะค่ะเขาเขาเขาจัดทรงให้ทําทรงให้ต่อไปก็เข้าร้านผู้ชายได้แล้วไม่หนู เข้าหน้าปักซอยบ้านเลยเจ้าค่ะ <Hey. S 1> ผมหนูนี่เลยเลยคุยกับช่างหน้าบ้านหน้าปักซอยว่าสงสัยหน่อยหนูคงต้องมาเข้าร้านทําผมผู้ชายเพราะว่าผู้หญิงเขาตัดใหไ้ไม่ไม่ถูกใจค่ะ <Hey. S 1> <c oughs> ขอบคุณหมวงธรรมะจากหลวงพ่อนี่นะเจ้าค่ะนำให้ปล่อยวางร <Hey. S 1> ่างกายภายนอกได้ให้ <Hey. S 1> ให้มาอยู่กับใจตัวเองแล้วก็อะไรนะคะ ม, มองคอนเซนเทรตกับกับใจตัวเองมากกว่า hey. ใจสำนกการใจสำนึกกับทุกสิ่งทุกอย่างค่ะของหนูก็มีใจที่เราที่เราจะอยู่กับเราของอย่างอืมันต้องจางออกไปหมดค่ะหนูก็ถือว่าโชคดีเป็นคนที่อยู่กับตัวเองได้เจ้าคะ่ะตอนนี้กอ็อยู่แต่กับคุณพ่อสองคนเจ้าคะ่ะไม่ค่อยมีเรื่องอะไรมีสาระเท่าไหร่ตอนเนี้เรื่องที่ที่ที่คิดนะคะมันก็เลยรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรในชีวิตให้คิดเดยอะคะ่ะหลวงพ่ออืม ตอนนี้ก็เลยฝึกฝึกอที่บอกหลวงพ่อค่ะว่าฝึกหยุดคิดเนี่ยมันเหมือนกับหยุดคิดได้ดีขึ้นเจ้าค่ะหลวงพ่ออืมดีค่ะอาจจะยังไม่ได้นานมากยังยังเป็นหลักวินาที อ, อยู่แต่ก็ถือว่าสามารถหยุดความคิดไ ด, ได้ไปทั้งวันทั้งวันนี้ยังน่าจะยากอยู่ <laughs> ต้องคอยดึงบางทีไปสิบวิเพลอไปคิดแล้วก็แต่ก็ดึงกลับมาให้หยุดคิดนะคะพยายาม เ ด, ด, ดึงม า, า เ, เรื่อยๆท่ค่ะวันนี้พอไปนั่งส ม, มาธิมาหน้ากุฏิก็วันนี้นั่งสบายมากเลยเจ้าค่ะอากาศดีอืม่แต่เสียงดังมาไม่เป็นไร น, นะเสียงจั ก, กรจันท์ดังไม่ไม่รู้สึกไม่รู้สึกไม่รู้สึกแย่แล้ว่ะาานั่ง อ, อย่างที่บอกค่ะเวลาไปไปนั่งทําำนั่งปฏิบัติหน้าหน้ากุฏิทีไรมันมีกําลังใจเจ้าค่ะไม่รู้ทําไมเหมือนกันมันมีสเตย์มันมีสเตยแล้วมันไม่ค่อยราคาญเท่าไหร่ครับสิ่งรอบต เรามีแงมงวมีไหมมารอบกวนไมลงวีแอบมีนิดหน่อยเจ้าะแต่วันนี้หนูฉีดไปเอาสเปรย์มาฉีดที่แขนที่ที่คอก็ช่วยได้เจ้าแต่ลมวันนี้ลมลมเย็นดีเจ้าคะ่ะก็เลยสบยค่ะมันก็เลยไม่ค่อยมีแมลงมาโดนตัวตอนนี้ฝนตกค่ะก็เลยทําให้อากาศวันนี้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ค่ะนี่ก็อะไรนะนั่งนั่งสมาธิหนูก็พยายามนั่งทุกวัน ช่วงนี้ไม่ได้ทํางานโดนโดนยกเลิกไฟท์เจ้าค่ะหลวงพ่อเขาลบ ก, กันเนข า, าลบ ก, กัน <c oughs> ไปไม่ได้แต่จริงไม่งั้นวันนี้หนูต้องต้องได้คุยสนทนาธรรมจากโดฮาแล้วเจ้าค่ะอือยู่ ท, ที่ปทางตะวันอกลางที่ต้องตัดไปก่อนนะตัดยาวเลยเจ้าค่ะตอนแรกตอนแรกนี่ถ้าถ้าเขาเรียกอะไรนะคะเขาค่อยค่อยลดวันอ่าทีลวันใช่ไหมเจ้าค่ะกลายเป็นว่าตอนนี้เอ่อ cancel ไฟท์ยาว ไปไม่มีกําหนดเลยเจ้าค่ะอืมเพราะว่าไม่รู้สถานการณ์มันจะอีกนานเท่าไหร่อ่อใช้ปัญญาพิจารณาว่ามันเป็นอันนี้จังอย่างเงี้ยไม่มีทางแน่นอนวันนี้ก็เลยโชคดีเลยได้ไปวัดแทนอืมวันนี้ได้ได้ครบเลยเจ้าค่ะได้มีอธิษฐานบารมีสัจจะมีความเทียนวิทยะสันติวันนี้ได้ทําครบเลยเจ้าค่ะตั้งใจไป มีอกขาสร้างทานบารมีสร้างอุเบกขาบารมีค่ะไอไฟสะสมไปเจ้าค่ะหลวงพ่อดีเดี๋ยวก็ถึงพยายามเติมน้ำมันให้เต็มถังปะยังไม่ถึงเป็นลาปลายทางค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูขออนุญาตถามอีกคําถามหนึงเจ้าค่ะพอดีหนูแอบสงสัยว่าการนั่งสมาธิเนี่ยค่ะเราจําเป็นต้องคือไม่ไม่ไม่ใช่ทรมานตัวเองนะเจ้าค่ะแต่เราเราสมควรที่จะพยายาม เออนั่งในที่ที่มันเรียบง่ายที่สุดไหมเจ้าคะอย่างเช่นอย่างว่าไม่มีแอร์แล้วก็ไม่เปิด air, แอร์เราเปิดแค่พัดลมอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะจาเป็นไหมเจ้าค่ะ่็มันอยู่ที่ว่าเราต้องการทดสอบใจเราในรูปแบบไหนถ้าเบื้องต้นเรายังไม่มีพลังมากเราต้องการที่จะทำใจให้นร่งให้สงบโดยที่ไม่มีอะไรมาคอยรบกวนใจเราก็อาจจะหาที่นั่งที่มันไม่มีไม่มีอะไรมารบกวนเรา แต่ถ้าแต่ถ้าเราอยากจะต่อไปถ้าเรามีสติมากเราอยากจะทดสอบว่าเราจะสามารถอยู่ท่ามกลางในสภาพที่มันไม่สบายได้ไหมเราอย่งสามารถทำใจให้นี่ให้สงบได้ไหรือไม่เราก็ค่อยเพิ่มเขตของความยากให้เกิดขึ้นมากขึ้นแล้วมันอยู่ที่เราจะจะจ ะ, จะดูกําลังของเราด้วยว่าตอนนี้เราพร้อมในระดับไหนไปก่อนแล้วก็ทําในระดับนั้นไปก่อน ใช่แต่ว่าถ้าเราอยังเต็ดนั่งเบา อ, อย่างนี้อ่ะล้วก็นั่งนั่งเบาไปก่อนเอาไปแล้วว่าเบาไม่จำเป็นหรอกแอบไปนั่งมันเป็นภาระยุ่งยากเปล่าเราเราทนนั่งแบบไม่มีเบาดูบั่งก็ได้เนี่ยเจ้าค่ะพอดีว่าหนูว่าแอบแอบคิดว่าตัวเองอ่ะนั่งสมาธิได้ดีเจ้าค่ะหลว ง, ลงพอ่อเพราะว่าหนูหที่บอกหลวงพ่อหนูนั่งได้ อครั้งละแบบสี่สิบห้าสิบนาทีใช่ไหมเจ้าคะ mm hmm. แล้วบางทีมันก็มีความสงบบ้างมีรู้สึกว่ามันมันมันมันได้อได้ได้อุเบกขาอะไรเงี้ยค่ะเราก็คิดว่าจริงๆว่าเราอ่ะนั่งได้เพราะว่าเรามีเรามีสติมีสมาธิอ่าเลยนั่งได้นานใช่ไหมคะแต่พอมานั่งคิดดูวันก่อนที่อยู่ครั้งนึงไปไปวัดแล้วก็กลายเป็นว่านั่งแล้วมัน มันเจอเวทนาเจ๊ค่ะมันมันปวดขาใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเกับว่าหนูนั่งไปได้แค่ประมาณสิบห้านาทีเองหนูก็เลยมาคิดอ้าจริงๆแล้วจริเราคงไม่ได้เก่งหรอกเรามันไม่ใช่มันมันมีสติเพราะเราสบายเราไม่เจอไม่เจอเวทนายังไม่มีข้อสอบมากวนใจค่ะหนูก็หนูก็เลยคิดว่าเอหรือจริงๆแล้วเราควรจะต้องนั่งให้ได้เวทนามันถึงจะรู้จริงว่าว่าเราสามารถมีสติอย่ังนี้ได้หรือเปล่า ใช่เราสามารถนั่งแบบเฉยได้กับความเจ็บปวดของร่างกายได้ต่อไปอแล้วก็จะสบายเวลาเจ็บไข้ได้ปวดปวดหัวปวดท้องบางทีไม่ต้องกินยาก็ได้ใช้ธรรมโอสถในแทนวันนี้หนูหนูก็เลยลองที่เป็นนั่งหน้ากุฏิหนูก็มีอาการปวดปวดขากับหลังใช่ไหมกับก้นกบเจ้าค่ะหนูก็เลยก็เลยฝืนอยู่กับเวทนาก็ก็ผ่านไปได้นะจ๊ะค่ะหลวงพ่อแต่มันก็ไม่ มันก็ไม่ได้สบายเหมือนที่ที่เวลาเรานั่งเบานิ่มๆอะเจ้าค่ะอืามันยังว่ามันยังไม่ได้ผ่านแบบแบบสงบไยอ่ามันยังไม่สงบถ้ามันสงบแล้วมันจะรู้สึกเฉยๆกับอาการเจ็บปวดของร่างกายก็คือถ้าถ้าถ้าทําได้ก็ควรจะหัดฝึกเอาเปนทนาใช่ไหมเจ้าค่ะอ่แล้วอย่างอย่างถ้าถ้าคนปกติอย่างอย่านอกจากเวลานั่งสมาธิเจ้าค่ะเวลานอนเหมือนกัน เราควรจะนอนนอนแบบโดยที่ใช้แต่พัดลมไหมนะคะเหมือนกับว่าเราควรจะฝึกให้มันอยู่ให้ง่ายไหมคะถ้าเราคิดมาปฏิบัติจริงๆเนี่ยเจ้าค่ะไม่ต้องใช้พัดลมเลยนี่ตามธรรมชาติโอ้เมื่อคืนหนูนอนนอนลองนอนไม่เปิดแอร์ดูเปิดพัดลมตอเราไปอยู่ว่าป่าบ้านตายก็ไม่มีไฟฟ้าไม่มีพัดลมไม่มีอะไรเราลงเราไม่ลงมาเลยหน้าร้อนนี่มันต้องขึ้นมาสี่สิบองศา ก็เทนเฉยๆไปใช้าตุใจปเป็นโนเบกคาแล้วมันก็ไม่เดือดร้อนมันถึงเวลามันก็หลับคลอบได้สบายเรา้วแล้วในความเป็นจริงมันเป็นสิ่งที่จําเป็นที่เราจะต้องฝึกไหมจ้ะคะหลวงพ่ถ้าคนถ้าเราจะจะใ้ตัเราจะไม่ต้องการที่จะพึ่งอะไรภายนอกตัวเราเองให้ให้ตัวเราเป็นที่พึ่งของเราเองเพาตอนเราพึ่งพันลมเดียวกัน่อนไฟดับเราก็จกิดปัญหาขึ้นมาทุกได้เป็นพันลมเสียอ นอนไม่หลับเนี่ยก็งั้นทั้งคืนนอนไม่หลับเลยนนลเลยพราะเตดพัดลมแต่ถ้าเราไม่มีพัดลมเราก็ไม่ต้องกังวล่างมันไฟดับก็ไม่ต้องกังวลกับมันอือยู่แบบไม่มีอะไรนะ ด, ดีที่สุดวัดป่าส่วสน่เขาจะไม่มีของภายนอกมาเกี่ยวข้อง อ, อยู่แบบธรรมชาติเหมือนกลับไปทุดงในป่าอยู่คนเดียวในป่า อ, อย่างนั้นอยู่แบบนั้นได้เป็นการฝึกจิตให้เข้มแข็งใมใควารอดทนให้กล้ า, าหาญ ทำให้ไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆได้แต่เรื่นี้ต้องต้องเป็นเป้าหมายสุดท้ายนะแต่เป้าหมายลักๆว่าเรายังไม่มีกําลังสติพอที่ทําให้ใจเป็นอยู่เบกขาในระดับนั้นได้เราก็ต้องอาศัยก็คือไม่จําเป็นต้องฝืนตัวเองขนาดนั้นใช่ไหมเจ้าคะตอนนี้เพราะเราเป็นไม่มีไม่มีปัญญาขนาดงที่จะสติยังไม่ไม่มีสติสติสมาที่เรายังไม่ค่อยสงบมาก ถ้าถ้ามีสติมีสนาที่มากต่อไปเราก็จะรู้สึกว่าอันนี้ก็ไม่จาเป็นแน่นอนก็ไม่จําเป็นเร า, ย อ, ยายอยู่เราอยู่โดยที่ไม่ต้องมีสิ่งเหล่านี้ก็ได้ค่ะอจกอยกังตอนนี้ตอนนี้มีสติมากตัดผมได้ อ, <c oughs> อมกมค่อยเป็นเป็นทีละข้อทีละข้อทีละเลี้ยวใช่ค่ะได้เจ้าค่ะหนูจะได้จะได้รู้ว่าตอนนี้หนูหนูจะได้ไม่ต้องไปรู้สึกแย่กับกับการที่หนูเหมือนกับว่า ที่เรานั่งสมาคือถ้าจะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าถึงแม้จะนั่งที่เบาะสบายแล้วหนูได้สมาธิมันก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีในตอนนี้ใช่ไหคะแต่ว่าถ้าหนูสามารถนั่งกับเวทนาได้มันก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งดีอ่าก็เลือกได้ตอนนี้เลือกเลือกทาสติกับเอาสมาธิให้ได้อืาให้ได้ีอพื้นฐานก่อนแล้วค่อยมาปรับ บรรยากาศรอบตัวเราให้มันให้มันเป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะแต่หนูนั่งสมาธิตอนนี้หนูก็หนูนั่งกับพัดลมตลอดเจ้าค่ะหนูไม่ไม่ไม่เปิดแอร์ก็บ่ายนี้ก็ไม่ได้มีบ่ายนี้ก็ไม่มีพัดลมให้เปิดนั่งได้แต่ว่ามันมีลมด้วแต่ในห้องในห้องมันร้อนมากเจ้าค่ะตรนน เ, เดี๋ยวหนูจะลองเดี๋ยวจะแต่เดี๋ยวถ้าให้หนูเก่งสมาธิได้เก่งวันนี้หนูจะลองนั่งแบบไม่เปิดแอร์แต่ให้นั่งตัวให้มันเงยแตกพัดไปเลยนะค่ะอืม ได้เจ้าค่ะเอาไว้เอาไว้ให้หนูมีสามารถไ ม, ไม่ต้องเ <c oughs> พิ่งอะไรเลยลการนั่งสมาธิที่ให้จก่งเรไม่ต้องการพิ่งไม่ต้องพิ่งอะไรทั้งหมดเพิ่งสติตัวเดียวให้เจค่ะเดี๋ยวหนูจะฝึกสติฝึกสมาธิให้ให้ให้ให้เก่งก่อนแล้วหนูจะได้ค่อยๆทดลองไปอันนั้นคือเป้าหมายสุดท้ายค่ะเบาเบกิก็ไม่ต้องมีนั่งแบบนั่งแบบเพิ่งแข็งๆไว้เลยเจ้าค่ะอื ได้เจ้าค่ะหลวงพ่อขอบพระคุณมากเลยเจ้าค่ะหนูจะพยายามปฏิบัติต่อไปเจ้าค่ะสาธุค่ะกดปังบเมื่ไร่ยังไงหนูนี้ยังไปนั่งสมาธิอยู่หเปล่าเมื่อก่อนเคยเล่าชอบไปนั่งสมาธิที่นู่นที่นี่แต่อันนี้ไม่มีแล้วอนนี้ไม่ค่อยได้ไปนั่งค่ะแต่ว่าก็ถึเพราะว่าต้องไปดูแลคุณแม่อาทิตย์ที่แล้วก็ไปสลัไปสระบุรีค่ะก็จะมีส่วนได้มีพื้นที่ที่ได้นั่ง แต่หนูผ่านเหมือนกับมันก็ผ่านมาอยู่มาหลายปีแล้วค่ะฝึกมาหลายปีแล้วมันก็ไอเรื่องความเจ็บปวดอะคะ่ะตั้งที่บอดด้านบนก็เจอมาหมดแล้วตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันสบายๆตอนนี้ที่เน้นอยู่ก็คือเรื่องสติอ่ะ อ, อืก็สงบเจ้าค่ะได้พื้นฐานนั่งตั้งเดียวก็เข้าได้ได้เบกขาไหมได้เจ้าค่ะได้หมดเลยะคะ่ะห้าปีถ้าไม่ได้นี่หนูว่าหนูหนูโง่เขามาก ไม่ลำพากับรูปเสียงเกล็ดร้อนเข้ามาสัมพันธ์ค่ะใช่ค่ะร้อนนะคะตอนที่ขึ้นไปนั่งบนเออ่ชั้นสามของของพรัดรมมาธาตุค่ะพัดลมถึงแล้วว่ามันจะมีพัดลมตัวเล็กๆค่ะแต่ว่ามันคือมันมันอับมันลมมันผ่านไม่ได้อ่ะมันก็ร้อนเหงื่อแต่เงินแต่ว่าก็ก็ทําให้มันผ่านไปพอผ่านไปแล้วปุ๊บเนี่ยไปนั่งที่ไหนมันก็สบายอะตอนนี้ก็เลยได้ได้สติมา วพอได้สติมาตอนนี้ตอนนี้ที่ที่เห็นได้ชัดเจนคือรู้อารมณ์เท่าทันทุกๆุกแรวิยาของของตัวหนูค่ะไม่ว่าจะเดินไม่ว่าจะทำอะไรองเงี้ยหรือว่ามีอารมณ์อะไรเงี้ยจะรู้ทั้งหมดเพราะนั้นเวลาเหมือนเหมือนที่พระอาจารย์บอกว่าพอเรารู้ปุ๊บอ่ะเราจะทำบาปหรือเราจะทำอะไรไงเียที่ไม่ไม่ดีอ่ะมันก็หยับยั้งได้อืมนี่ก็เดี๋ยวหนูอาทิย์านหนู ก็จะไปนั่งสมาธิที่วัดค่ะเวลาค่ะอโอเคครับขอบคุณทุกท่าน อ, อ่าคุณหมอสุทธิเนย์มหมอสุทธิเนย์ิท่าทางจะนิ่งตลอดเลยนะนำมสัสการทัตตาอาจารย์เจ้าค่ะลูกไม่มีคำถามเจ้าค่ะมีมีอะไรมาเล่าให้ฟังในการปฏิบัติตอนนี้ยังไม่มีค่ะยังปฏิบัติเพิ่มเจ้าค่ะโอเค สามารถเข้าสู่ความสงบได้สามารถเข้าสู่ความสงบได้แต่ยังไม่ทุกครั้งเจ้าค่ะอบางทีก็สติก็ไม่ทันความคิดบางทีก็ทันเจ้าค่ะพยายามเจริญสติทุกวันเจ้าค่ะถึงแม้จะไม่ได้นั่งก็ต้องเจริญสติตลอดเวลานะเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์โอเคขอบพระคุณค่ะครับทุกคุณคนิงเชิญ เป็นไงมาอยู่คนเดียวสบายใจไหมโล่งไหมโล่งดีค่ะพระอาจารย์เงียบดีก็เงียบดีมากเลยค่ะวันนี้ก็ตอนตอนดึกดอ่ะตีสี่ก็ลงไปเดินก็ลงไปคนเดียวง้ายมากดีกลัวไกลัวไหม ไม่ค่อยกลัวค่ะอาจารย์อ mm hmm. ืหนูก็แปลกหนูก็แปลกอาจจะเคยอยู่ในต่าหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะ mm hmm. ก็ก็เดินไปเรื่อยๆก็เอ่อจะเดินสติไปอ่ค่ะพระอาจารย์ตั้งสติไป mm hmm. วันที่คือคืนที่สองเพื่อนมาด้วยเขาก็เลยไปเดินตาม mm hmm. เขาบอกว่าทําไมเดินรวริวร้วริวร้วริริไปเลยหนูก็บอกว่าซื้อต่างคนต่างเดินตอนแรกเขาบอกเข้าห่วง เพว่าเห็นเป็นผู้หญิงคนเดียวทำไมเดินไปไกลจังหนูกาอาจจะมาห่วงทําไมเพราะว่าคืนแรกเราก็เดินคนเดียวอยู่แล้วอืมเขาเพิ่งนึกได้เขาว่าอย่างเงี้ยเขาก็เดินเขาก็เดินช้าๆเ ข, เขาบอกว่าทําไมคุณนิ่งเดินเร็วจังหนูก็บอกว่าหนูเดินเป็นปกติเราก็อะต้องพุดโธทรมทรสั่งโทอะไรของหนูไปอะคะ่ะเพราะว่าดูเดินดูไปหนูก็รู้อยู่ว่ามันอยู่ณจุดจุดนั้นนะคะ่ะพระอาจารย์อืมแล้ว พอเดินไปเมื่อคือเมื่อคืนนี้ก็เดินไปอยู่กวางวิ่งอย่างมอย่างเร็วมาหนูก็หนูไม่ได้ตกใจอะไรนะว่าไอเสียงอะไรหนูก็ว่าอย่างนีแล้วหนูก็หยุดเขาก็วิ่งผ่านไปทีนึงอ๋ <S <S อกวางหนูก็เดินต่อไปนะคะพระอาจารย์แล้วก็เดินไปถึงตรงโค้งที่ที่ที่เจ้าหน้าที่พักอยู่นู่นตรงข้างล่างนะคะพระา <S <S อาจารย์เราไปไกลขนาดนั้นเลยเหะค่ะ แต่ตายอย่างเคยนี่ยหะค่ะอืมแล้วมีเจอคนอนอนนอดทางทด่เดินเจอคนเจอรถมีไหมไม่มีไม่มีค่ะอาจารย์ก็คือโฟกัสอยู่ตรงไอตง้ตรงที่ตัวเองเดินเดินเดิ น, เ ด, นเดินไปหนูก็มองไปตามแสงจันทนะคะไม่มีแสงมไม่มีอะไรอืมก็คืออ่ะตั้งสติก็คือเดินไปแต่ก็ไม่ได้รู้สึกไม่ได้รู้สึกกลัวหรือว่าอะไรมากเป็นชั่วโมง ชั่วโมงกว่าแล้วก็เดินเลาะเลาะแล้วก็เดินขึ้นไปบนตรงตรงข้างบนนะคะที่เป็นเรือนพักที่เจ<ม>็ดบนเขา<ม>ก็ไปยืนโอ้โหก็เหนื่อยว่าต้องเดินขึ้นไปได้สิพอขึ้นไปมองอีกนิดเดียวก็ขึ้นบนบนเขาแล้วบนยอดเขาแล้วนะเนี่ยหนูก็เดิน<ม>และทีนี้ก็คือเดินเดินลงมามก็ตอนชตอ น, ตอนพอพอสว่างหน่อยก็เห็นเห็นกลางแล้วก็บอกเขา หนูก็มีผลไม้เพราะว่ากินผลไม้ต้อง ก, กินถั่วไม่ได้เอาข้าวหรืออะไรไมาเยอะค่ะกินมื้อเดียวแล้วก็ให้เขาเอาอาหารเอาผลไม้ให้กวางหมดแต่ค่ะวันนี้ที่กลับจากข้างล่างมาแล้วก็ขึ้นมาข้างบนที่ไปฟังธรรมท่านอาจารย์หนูก็ไอ้ใครมาเรียกแม่แม่แ ม, แ ม, แ ม, แ ม, แม่หนูก็เอาไปไปดูเอา้ากวางรู้ได้ยังไงมาขอกินใช่ไหมลูกหนูก็ว่าอย่างเนี้ยอืม ว่าตัวเล็กๆสองตัวก็เลยมาหาหาอะไรอยู่ตู้เย็นแล้วก็เอาไปให้เขาให้แล้วก็เขาก็รอกินนะครัะอาจารย์อรอเออทีนี้เพื่อนว่าอุ้ยตายทำไมเขามาเรียกทำไมรู้เออเหมือนคนมาเรียกเราก็เลยลงไปดูโอเป็นเป็นควางเขามาขอกินพอมาอีกตัวหนึ่งหนูไปให้กินอีกตัวตก็เลยมาหนูว่าอากินมีแค่นี้เขาก็จับหัวเขานะครรับพะอาจารย์ เขาก็ให้จับแล้วเขาก็มองหน้าหนูนว่ากินเสร็จแล้วก็ไปเดี๋ยวครั้งหน้าถ้ามาเดี๋ยวจะซื้อผลไม้ามาฝากเยอะๆ๋ยวก็มีเรื่องที่แปลกอีกอย่างหนึ่งคือให้ปางกินเมื่อตอนเช้าที่นี่หนูเดินไปที่รถเหมือนไปเอาของหนูก็เอ๊ะใครเดินตามหลังพอหันกลับมา <c oughs> เขายือนอยู่คือคือเขายืนแบบรออยู่ข้างหลังอาหารค่ะอาจารย์หนู <c oughs> ตามอะไรมาหนูหมดแล้วของกินไม่มีไม่มีหนูก็บอกอย่างเงี้ยเออดิชาไม่หน่อยนะเขาก็เขาก็ไม่ได้ทําอะไรพอดีพอดีเจ้หน้าที่เขาบอกเขาคงไม่ทําอะไรหรอกเขาเขาเดินตามมาหนูก็หนูก็งงๆหนูงงหนูก็ว่าบ๊ายบายเดี๋ยวเดี๋ยวเราเจอกันนะเดี๋ยวใายกินอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เดินขึ้นไปข้างบนนะคะพระอาจารย์แล้วก็นั่งนั่งนั่งไปหนูก็คิดถึงคําพระอาจารย์หรือมันมีอะไรแปลกๆเข้ามาหนูก็บอกว่า หนูก็คืออยู่กับกรรมฐานตรงนั้นพอนั่ไปนิดนึงหนูเปิดพัดลมหนูไม่ค่อยได้เปิดแอร์เท่าไหร่หนูก็ว่าเอ้าทําไมไฟดับแต่ก็คือไม่เป็นไรก็คือเราไม่ได้ยินเสียงอะค่ะหนูก็อยู่กับบริกรรมของตัวเองอาจจะไปไหนก็อ่ะแล้วแต่ก็แล้วกันนะคะก็ปล่อยไปเลยแต่จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ดับหรอกคือหูหนูอาจจะดับก็ได้ที่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอะค่ะตอนนี้ก็ดีมากเลยหนูรู้ว่าเออ ถ้าจะมาเนี่ยอยู่คนเดียวแบบนี้เนี่ยสบายมากเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราได้โฟกัสในสิ่งที่เราตั้งใจอ่ะค่ะพอาจารย์อืมได้ทั้งหมดเลยก็ เ, เลยมามามาม า, มาตอนมครั้งนี้เนี่ยได้อะไรเยอะเยอะมากๆได้ก็ได้รู้ใจของตัวเองเยอะมากหรือมันไม่มีอะไรที่จะทําทําเราได้มันอยู่ที่ใจทั้งหมดค่ะพอาจารย์อืม การกลั ว, วสุขทุกมันที่เราเปิดมันขึ้นมาเองใช่ค่ะหนูก็เลยบอกว่าเอา้าที่ไม่ได้กลัวเนี่ยมันไม่ใช่มันกลัวใจตัวเองมากกว่าหนูก็คิดอย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเพราะว่าถ่ายรูป ม, มั่งสิไปยิงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ถ่ายถ่ายไปมันก็มืดหนูก็บงเงี้ยมืดอุ้ยน่ากลัวจังเธอแไม่ไม่ได้กลัวหรอก็ก็ไม่นะหนูก็บอกอย่างเงี้ยตอนแรกก็แค่แบบนิดนึง อาไปเดินไปหนูก็ว่าเดินไปหนูจะเป็นอย่างนี้ค่ะเดินไปนิดนึงเอาแค่นี้กลับมาก่อนแล้วก็คือเหมือนแบบขึ้นมาด้ขั้นที่สองไปค่ะขั้นที่สามไปมันก็คือยาวไปยาวไปยาวไปแล้วกลายเป็นว่าเราก็ไม่ได้รู้สึกสึกอะไรเลยอะค่ะพระอาจารย์คือขึ้นได้เยอะขาดนะตรงนี้หนูก็เลยว่าอ๋อท้ายสุดมาก็คือมารู้ใจตัวเองเนี่ยมันสําคัญที่สุดการกลัวนี่มันกลัวใจตัวเองมากกว่าค่ะพระอาจารย์อย่างอื่นก็ มันก็ไม่ได้มันไม่ได้มีนมมะเราทำใจ<ส>ไม่กลัวเราทำใจมไม่กลัวเร<ล>าได้ข้อตใลงใจของเราเองที่เราเสียงกระเจิงได้ไหมามากกว่าที่เราจะปูแต่งค่ะค่ะว่าตรงนั้นเป็นตัวเข้มข้นตัวนุ่งห่าบางคนคือเป็นเสาว คือมันก็คือคงไม่มีอะไรเสียงก็คงเป็นเสียงสัตว์หนูก็คิดอย่างนี้เลยคือเราไม่ได้คิดอะไรแล้วเราก็คือแบบเดินเดินเดินอย่างเดียวค่ะพระอาจารย์แล้วก็ท่องท่องไปนะคะอยู่กับบริกรรมของตัวเองอะค่ะก็คือมีแค่นี้หนูก็เลยบอกว่าข อ, อครั้งหน้าหนูอาจจะได้มาตามมากกว่านี้ไม่รู้าทางบ้านเขาจ่า้นี่หรือเปล่าแต่หนูก็คือถ้าได้มาแล้วหนูก็ลืมไปหมดละค่ะพระอาจารย์ครับไม่ก็ไม่ไดี ค่ะไม่ยืดเยื้ไปค่ะพระอาจารย์หนูก็มาพัาใจน้องค่ะโอเคมาพักใจครับค่ะก็ไม่มีอะไรครับอาจารย์อ่าคงจะเล่นตานต่อกราบท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้หนูกรค่ะที่ที่แล้วพอดีหนูต้องเข้าออฟฟิศค่ะก็เลยไม่ได้มีโอกาสเข้ามากลับท่านพระอาจารย์แต่วันนี้หนูหนูไม่มีคําถามค่ะ เข้ามาเข้ามาฟังธรรมใช่ใชค่ะโ okay. อ, อเคทุก อ, อ, อย่างเรียบร้อยดีค่ะทุกอย่างเรียบร้อยดีค่ะทุกอยงมีมีแต่ความสุขหนูก็รู้สึกว่าตัวเองก็ไม่ได้มีความทุกข์อะไรค่ะก็หนูก็ปฏิบัติอยู่เรื่อยๆอะค่ะแต่ว่าก็รู <c oughs> ้ถึงความทุกข์ของคนรอบๆข้างได้ค่ะอย่างหั่วลอยอยู่าใช้ได้นะหนูก็ค่ะหนูก็ได้แต่ฟังปัญหาของคนรอบข้างแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วตัวเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเท่าไหร่หรอกเรา เราปรุงแต่งให้มันมีปัญหามากขึ้นเท่านั้นเองความอยากของเรามันพาให้มันปัญหาให้มันค่ะแล้วก็ความคาดหวังของเรากับคนอื่นๆด้วยเหมือนกันค่ะ่อาดีนะอยู่ตามมีตามเกิดนี้สุดนะค่ะหนูก็ทําดีที่สุดนะคะแล้วก็เตรียมตัวเตรียมพร้อมกับทุกอย่างแล้วอะไรจะเกิดก็ยอมรับยอมหยุดเย็นค่ะพอาจารย์แล้วก็มาเป็นหลักในการปฏิบัติแล้วก็เข้าใจการใช้ชีวิตในทุกๆวันค่ะพอาจารย์ ใช้ชีวิตแบบไม่มีความทุกข์นะค่ะพระอาจารย์นี่เขาทารึกค่ะกลับขอบพระคุณพระอาจารย์ขอพระอาจารย์ทัาทันแข็งแรงนะคะคืนนี้จิบคงไม่ได้เข้ามาใช่ไหมอ๋อข่าพระอาจารย์อ๋อจิบเขาเข้าประชุมวันนี้อะค่ะเขาก็เลยมาสำคัญสล็อตค่ะยังไงฝากกลับพระอาจารย์แทนเพื่อนค่ะสาธุ่ะคะคุณหมอรุ่งเรืองเช่ญนอนอยู่ที่ไหนอยู่ต่างประเทศหรือเปล่านี้ อยู่ประเทศไทยครับพระอาจารย์อครับยังไงบ้างวันนี้มีอะไรอ๋อสัปดาห์นี้ก็วันนี้วันพระคับพระอาจารย์ผมก็ตั้งใจรักษาสิ้นแปลงตั้งแต่วันจันทร์ครับจันทร์ตางการพูดแล้วกับาพรุ่งนี้พื่อหารอีกวันครับอืได้สี่วันแล้วก็ปฏิบัติมากขึ้นครับพระอาจารย์แต่ว่ารู้แล้วว่าเรายังไม่ค่อยแข็งแรงทางจิตใจครับพระอาจารย์พอเวลามีเรื่องอะไรเข้ามานี่ยัง ยังเสะเทือนใจอย่างเศร้าอยู่กับพระอาจารย์อืมครับก็ต้องเสวงกาลังให้มากขึ้นไปเรื่อยๆครับกับอาจารย์แสวมปัญญัติครับอาจารย์ครับจริงๆก็เข้าใจนะครับพระอาจารย์แต่ว่าพอถึงเวลาเจอจริงๆเนี่ยมันมันไม่ได้ครับอาจารย์พอเจอข้อสอบมันยี้รู้ว่าผ่านหรืไม่ผ่านนะครับอีเรื่องอื่นผ่านหมดครับเพราะเป็นเป็นเรื่องบางบางอย่างที่มันไม่ผ่านจริงๆครับอาจารย์ยังไม่เศร้ายังไม่เต็มตัวไว้ยังไม่ทําการบ้านะ ขับเศร้าหมองอะไรครับบางเรื่องนะคราทำครับครับอาจารย์ตีคราวหน้าก็ถ้ามันเข้าใหม่ก็ต้องผ่านให้ได้ครับครับต้องไม่อยากเมื่อเดแรกให้ได้แต่มแรกครับอาจารย์บางเรื่องเราไปคาดหวังไว้มาได้แน่ๆพอถึงเวลาไม่ได้ผิดหวังติดหวังครับก็บิดหวังที่อ่าเป็นบางเรื่องที่มันเราเราไม่คาดไม่เต็มาจารย์ที่ว่าเป็นของตายแล้วของแน่นอน ครับบางอย่างคิดว่าได้แน่ๆครับอาจารย์พอถึงเวลามันพลิกไม่ได้โอ้เราเราตั้งสติไม่ทันครัแบว่าเราตั้งใจไม่ทันวันนี้ก็ตั้งยังต้องพุทธโทพุทธโทสวดมนต์ตแบบรงสวดยังไม่หายเลยยังยังไม่หายยังไม่หายโอ้หายน้อยมากครับอาจารย์วันเนี้ยตั้งแต่หลายช่วงที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมีเรื่องเนี้ยครับอาจารย์โอ้ทำไมเราถึงถึงบอกว่าเออเรายังไม่ผ่านคแบบรับอาจารย์เนยังสอบตกครับ ทำมาเป็นมวลเลียงปัญญาเรายังไม่รอดก็ครับอาจารย์ยสอบไม่ผ่านครับอย่ไปมองว่าทุกอย่างเป็นของตายไม่ตายครับอาจารย์คับอาจารย์ดื้อได้ครับครับมันไม่น่าเชื่อครับอาจารย์าคตที่ทำมาไม่แน่นอนมันับไปเพกมาได้คตรไปคตรมาถึงไดอนาคตเนี่ยครับครับตอนเรื่องอื่นๆเราเออเรารับได้นะพอเรื่องอย่างนี้บางเรื่องมันมันมันเป็นใจเราที่ไปปลุกมากๆพระอาจารย์ครับ ก็ดีมันต้เจริญทุกก่อนมันถึนงจเกิดปัญญาครับพระอาจารย์ครับต้องต้องปฏิบัติยังไงครับพระอาจารย์ต้องเจริญสติมากจริญ ส, <ต>สติแล้วก็ปัญญาก็ต้องไม่ไม่ชลาใจไม่ไเสียใจของใจไม่แน่นอนครับพ อ, นอนบดีพอดีเป็นเรื่องของลูกครับอาจารย์ถ้าเป็นเรื่องของอผมเนี่ยผมก็รู้สึกไม่ได้อยากอะไรนะครับแต่พอดีเป็นเรื่องของลูกลูกสาวเนี่ยรู้สึกอ้ลูกสาวทำไมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับครับก็เลย ชะลาใจครับรอาจารย์ก็<ช>เลยตั้งแต่เช้านี้ตั้งแต่สายๆวันนี้แย่เลยครับพพพอาจารย์อืครับมันจะบวชเรียนว่าเรายังไม่รอบครอบเรายังไม่พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตายรักหมดครับรรอาจารย์ครับยังไม่ครบครับเราพิจารณาทักสิ่งทุกอย่างทุกบุคคลที่เราเกี่ยวขอ้องนียเป็นตายนะทั้งหมดค ร, รับอาจารย์ครับต้องเอาไปฝึกมากขึ้นปฏิบัติมากขึ้นแล้วพิจารณาเป็นตายรักให้หมดครับอาจารย์ ต่อไปต้องไม่เที่ยงทุกอย่างแล้วครับต่อไปต้องไม่ไม่แนงทุกอย่างครับอาจารย์ครับต้องคิดอย่างนั้นไปให้หมดเลยครับทุกทุกเรื่องในชีวิตเลยครับจะได้ไม่เป็นเหตุแบบวันนี้อีกครับอืมครับเราได้ปัญญาวันนี้ทุกบ่เนีปัญญาบ่เคยเนี่ยครับนี่ยังดีว่าได้มาปฏิบัติธรรมนะครับอาจารย์รักษาศีลแปดแล้วก็นั่งสมาธิสวดมนต์เพราะว่ากับเจริญสติพอเวลาเกิดเรื่องก็ยังเบาลงอ่ะครัอาจารย์ มันมีนมันก็อยู่ในใจเราไม่ไม่ระบายออกมาของเราครับพระอาจารย์รู้อยู่ในใจครับอืมครับกับพระอาจารย์เป็นอนี้สงขการปฏิบัติธรรมเลยครับพระอาจารย์ดีมากทําต่อไปเดี๋ยวผมครับผมจะตั้งใจปฏิบัติมากขึ้นเรื่อยๆครับพระอาจารย์เต็มบัญมากความสงบสําคัญมากอุเบกขาสําคัญมากวัญญาก็สำคัญคะอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับต่อไปทุกที่เดินเราต้องมีใจรักหมดเลยครับต้องมีธรรมะเหล่านี้ เพื่อจะสามารถ ค, รควบคุมใจให้อยู่เป็นปกติได้ครับพอาจารย์ครับอืมโอเคครับอาจารย์ขอไปจากท่าจังแข็งแรงนะครับผมสัญญาจะตั้งทิศฐานจะตั้งใจปฏิบัติยิ่งยงขึ้นไปครับให้มากขึ้นเรื่อยๆครับอ า, อาจารย์สาธุครับอ่าคุณเนี่ยมาละพมานิกาบมานิกา นมัตการผ้าจาย์เจ้าขังต่อลูปคนถึงบัตรอยู่ไม่มีคําถามเจ้าขังโอเคเห็นใบ okay. ด็กคนเรอุตสาห์ต่อนรัต ก, การค่ะผ้าจารย์อตัดผมด้วยไหมตัดก้าวผมให่ข้างหลังค่ะตัดผมด้วก้า <ด S 1> ผมไว่ข้างหลังตัดผมค่ะอะตัดเนยมีคนบอกว่าเหมือนผู้ชายอยู่ว่าไม่เป็นไรอ่า ยมยมก็ไม่มีคําถามนะคะพอาจารย์อแต่ว่ายมก็พยายามอยู่ทุกวันค่ะอาจารย์พยายามอยู่พยายามอยู่กับตัวเองค่ะชีวิตมันเบาค่ะอาจารย์ไม่ได้ทุกข์ไม่ได้อะไรไม่ไม่แบบคนอื่นแล้วนะบ่อยบางใช่ค่ะไม่ไม่ไม่เป็นอย่างเมื่อก่อนแล้วค่ะอาจารย์แล้วก็ความหงุดหงิดความฉุนเฉียวมันไม่ได้เกิดแต่ที่มันตลกก็คือแบบโยมจะเป็นคนมีความสุขการกินนี่ไหมคะอาจารย์ยมไปของเมื่อวานนี่ออกไปโกลกตอนเช้าซื้อมาแล้ว เดินก็ไปถึงเ ห, เห็นของชอบไปถึงหยิบอืมเรามีแล้วนี่นาวางอันนี้อุ้ยนี่ก็น่ากินหยิบวางมันวางได้ค่ะอาจารย์แล้วก็เดินออกมาก็แค่เท่าที่มีมาก็เออ ม, มันก็อะไรแปลกแปลกกับชีวิตเหมือนกันค่ะอาจารย์อะไรต้องมาหยิบได้เนามันยังไว้ทันมันอยู่เปล่าค่ะใช่ใช่ใช่ใ ช, ใช่เข้าไปถึงเห็นปุ๊บอืม ก็เรามีแล้วนี่นาเรากินซื้อก็มไม่หมดไม่เอาดีกว่าคืออย่างน้อยที่สุดก็มีความยั้งคิดนะคะอาจารย์เมื่อก่อนโยมจะพอไปครบปุ๊บโยมหยิบหยิบหยิบยิบย บ, ย บ, ยบมดเลยค่ะอะไรที่ที่ชอบถูกใจเอาหมดเลยใช่ใชโยมจะมีความสุขกับเรื่องกินค่ะอาจารย์เรื่องกินนี่ก็หลายรอบแล้วค่ะอาจารย์ดีต้องย้ำยั้งชั่ ง, จงใจกิจใจเอาใช้เหตุใช้ผลใช่ค่ะแล้วก็แบบพอมา มามาพบพระอาจารย์เนี่ยชีวิตยมง่ายขึ้นค่ะอาจารย์แล้วมันทุกอย่างมันมันเบาไปหมดแล้วค่ะอาจารย์บางทีมันทุกข์มันไม่มีความทุกข์แบบเมื่อก่อนมันความทุกข์ยมเมื่อก่อนคือคอยคิดคอยกโกรธคอยนั้ น, คน น, นคนนั้นคนนี้ทําเราแต่ตอนนี้คือไม่ไม่เป็นค่ะอาจารย์ไม่มีความรู้สึกแบบนั้นอีกค่ะเพราะพบว่ามันเป็นเพราะเราคนเดียวเท่านั้นเองมันจะไม่เกิดปัญหาแบบนี้เคยยมแล้วค่ะอาจารย์ค่ะอย่างวันต้องกบ การค่ะที่โยมมาเจอพระอาจารย์อย่างนี้ไม่งั้นก็ยังเอาสามีโยมว่าโยมตามีโยมว่าเมื่อก่อนเธอเป็นนางยักษ์ตอนนี้เธอเป็นแม่ชีค่ะผมว่าโยมแบบนั้นก็ไดีแม่ชียังเป็นคําชมนะ <c oughs> เขาบอกว่าเมื่อก่อนเป็นนางยักษ์ตอนนี้เป็นแม่ชีโยมมองหน้าเขาใช่ค่ะเมื่อก่อนโยมอารมณ์ร้อนใจร้อนค่ะอาจารย์ฉุนเฉียวหงุดหงิดง่ายค่ะตอนนี้ก็คือแบบ ไม่เป็นไรเมตตาให้อภยัยใช่ค่ะใช่ใชเมตตา<ม>เอาเมตตามาเป็นอันดับแรกก่อนค่ะอาจารย์<ม>แล้วก็ให้อภัยค่ะอาจารย์ตอนนี้คือแบบไม่เป็นไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกแบบมันมันชีวิตยมยมไม่รู้จะทุกข์มันไม่ค่อยมีค่ะอาจารย์มันเบาชีวิตมันเบาเบาไปค่ะอาจารย์จะทุกข<บ>์ไปทําไมทุกไปทําไมทุกข์ให้เหน่อยว่ากเมื่อก่อนมันจะหงุดหงิดไงอาจารย์หงุดหงิด ก็อารมณ์เสียร้อนก็จะโบนตอนนี้อากาศเฉยๆค่ะอาจารย์ไม่เป็นไรอยู่ได้อะอขอบยกินดีขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะอ่ า, า, า, ะานแข็งแรงนะคะขอบพระคุณยังคุณมาลีตาเป็นยัางามหลวงพ่อค่ะ <c oughs> มีอะไรบ <c oughs> ้างวันนี้วันนี้ก็ โอเคค่ะหลวงพ่อสบายใจค่ะหลวงพ่อสบายใจอยู่ทุกวันแล้วไม่ใช่เลนะสบายใจยิ่งขึ้นค่ะหลวงพ่อเนีพอเห็นได้คือเขาเขาล่าสุดที่หนูเรียนหลวงพ่อว่าที่ว่ารักษาจิตใจแล้วมันยังหนูยังติดปัญหาเรื่องตรงสมาธิมันเยอะนิดนึงอะค่ะหลวงพ่อแต่ว่าณนะตอนนี้โอเคแล้วค่ะหลวงพ่อหนูก็ปรับ ปรับได้แล้วค่ะหลวงพ่อก็ถอยออกมาดูแล้วก็มีสติรู้อยู่ในอารมณ์ปัจจุบันรู้เห็นความคิดเห็นทุกอาการของจิตของใจอะไรแบบนี้ค่ะหลวงพ่อไม่ไม่จมกับสมาธิมากค่ะหลวงพ่อมันมันจะรู้แบบเป็นธรรมชาติแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยจิตใจมันจะโปร่งโล่งเบามันไม่มีอะไรติดขั ด, ขด หนักอกหนักใจขัดข้องอะไรเลยคือข้างในใจอ่ะมันเคลียร์เคลียร์หมดทุกสิ่งอย่างเลยอะค่ะหลวงพ่ อ, อ ม, มันคือสบายใจทุกสิ่งอย่างค่ะหลวงพอมันไม่มันแต่ว่ามันก็ไม่เข้าไปทุกไม่เข้าไปสุขคือมันจะกลางๆมันเห็นหมดทุกทุกอย่างเวลาที่เรามีสติอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันนะคะหลวงพ่อมันจะเห็นสักแต่ว่ารู้ค่ะหลวงพ่อ เลยเลยสัมผัสได้ตรงที่บอกที่หลวงพ่อเคยพูดว่าให้รู้เฉยๆนะค่ะหลวงพ่อคือคือมันเฉยมันรู้เฉยแต่ไม่ใช่มันไม่รับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างหยดน้ำมนใบบัวหยดน้ามันใบบัวค่ะหลวงพ่อมันแค่เห็นอย่างสมุติหนูมีความคิดเข้ามาอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อมันเหมือนตวัดตาเห็นปุ๊บมันรู้แล้วค่ะหลวงพ่อว่าอันเนี้ยเข้ามาพอเข้ามาปุ๊บ เราก็วักมันคือเราไม่ได้ไปเข้าไปปรุงต่อไม่ได้เข้าไปเล่นกับสิ่งที่มันเข้ามาแบบนี้ยค่ะหลวงพ่อมันก็ดับลงอมันจะเป็นมันจะเวียนกันแบบเนี้ยเข้ามาแบบเนี้ยมันก็รู้เฉยไปค่ะหลองพ่อมันพอเราเห็นบ่อยๆค่ะหลวงพ่อมันมันเหมือนใจมันวางวางเองค่ะหลวงพ่ออืมค่ะมันจก็จะเป็นนิสัยขึ้นมาค่ะหลวงพ่อแล้วมันก็จะเห็นแต่การ เกิดดับของความคิดเห็นการเกิดดับของอาการเห็นเห็นอารมณ์ที่เกิดเข้ามาเห็นอารมณ์ที่มันดับไปแบบนี้ยค่ะหลวงพ่อครับ่าไม่ต้องไปทําอะไรมันก็ไปเองค่ะหลวงพ่อมันก็เลยรู้สึกว่าชีวิตมันสบายค่ะหลวงพ่อมันไม่แบนะไม่แบครับใช่ค่ะหลวงพ่อหนูก็เลยมันยิ้มค่ะหลวงพ่ออืมยิ้มยิ้มข้างในมันก่อนกิ้งไปกิ้งมาเหมือนนูกงพุ่บอล ค่ะหลวงพ่อเดี๋ยให้ก็เตะไปทางโู้นได้ทางโน้ก็เตะมาทางนี้ค่ะหลวงพ่อตามเขาไปหมดเลยค่ะใครทางไหนมาค่ะแต่ตอนเนี้ยตอนนี้แค่เห็นเห็นแค่ดูแค่รู้แล้วก็เฉยเฉยแล้วแล้วเขาก็ถอยถอยของเขาไปเองค่ะหลวงพ่อค่ะอย่าไม่ไปยุ่งกับเขาเขาก็ไม่มายุ่งกับเราค่ะหลวงพ่อมันก็เลย มอง <Yeah. S 1> มองไปซ้ายมองไปขวามันก็เลยอยู่ตรงกลางค่ะหลวงพ่อมันอื mm hmm. ก็ <Yeah. S 1> หนูก็เลยค่ะหลวงพ่อดูแล้วไม่นักไม่ช่างไม่กลัวไม่ลหลงค่ะหลวงพ่อแล้วข้างในอะ่ะมันมันก็คือตอนมันเคลียร์จริงๆนะคะหลวงพ่อมันลองอยังเข้าไปดูมันก็ไม่มีอะไรค้างคาใจที่ทําให้เรารู้สึกหนักอกหนักใจหรือว่าเวลามีสุขเข้ามาอะไร แบบนี้ยค่ะเหมือนมีเรื่องยินดีเราก็ไม่เข้าไปแบบโอ้โหดีใจแบบกระโดดเข้าไปจมมิดตัวอะไรแบบเนี้ยมันก็ไม่ใช่ค่ะหลวงพ่ออันนี้ก็ต้องเราดูไปเพราะข้างหน้าเราอาจจะไปเจอของหนักๆเข้าก็ได้นะค่ะหลวงพ่ออันนี้ยังาจจะเป็นแบบเบาๆใช่ไหมคะเบายังไม่มีเหตุการณ์ที่มันอย่างคุณเมื่อกี้คุณหมอเล่าให้ฟังไม่ช่เหตุการณ์ที่มันหนักขึ้นมาโดยที่เรายังไม่เต็มตัวรับเลมันก็เราดูว่าจะเสียหลักหรือเปล่าค่ะหลวงพ่อ ควีมดีกับกซ้อมไว้ก่อนเตรีมตัวไว้ก่อนก็มีอะไรหนั ก, กวันนี้ไหมที่อยเจียงเจ้าหน้าอ่าค่ะหนักหนักกว่านี้ก็มีเรื่องเรื่องเจ็บเรื่องตายใช่ไหมคะหลวงพ่อที่อเออแล้วอาจจะมีอย่างอื่นก็ได้ค่ต้องกา ร, รสูญเสียและผิดหวังกับคนนั้นคนนี้ขึ้นมาก็ได้ค่ะหลวงพ่อมันไม่มีอะไรถ้าเรายังไม่รับข้อมันก็อาจจะเป็นช่องโหว่ให้กิเลสเข้ามาเจาะได้ค่ะแล้ว แล้วแบบเนี้ยสิ่งที่หนูควรต้องทําเพิ่มหรือว่าต้องระวังอันนี้คืออนไรค ะ, ะลหลวงพ่อครับพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารู้ว่าเราพร้อมที่จะรับกับการกับเหตุการณ์อหล น, นี้ได้หรือไม่กับคนนั้นกับสิ่งนี้ถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้ไปเราจะทํำยังไงอืมฝาหรอเหมือนซ้อมๆไว้ก่อนเหรอคะหว่อใช่เขาะซ้อมไว้ก่อนทํากันบ้านไว้ก่อนอยู<ต>่ มันมีการพักผักจากการเป็นธรรมดาเนี่ยสิ่งที่เราพักักก็เป็นทั้งของที่เราลักของที่เราชอบคนที่เราลักคนที่เราชอบค่ะหลวงพ่เวลาที่เขาเปลี่ยนไปเขาเกิดใครใครดีกับเราวันวันนี้คนนี้เาํามาไล่กับเรานี้เราจะทำใจได้หรือเปล่าอืมไม่ไม่มีอะไรแน่นอนค่ะหลวงพ่อ เพราะว่ามันไม่มีอะไรนั่นไม่มีอะไรที่ตายตัวไงค่ะหลวงพ่อเพราะว่ามันมันคือปดที่ว่าเป็นอนิจจังอนัตตาใช่ไหมค่ะอนิจจังงานที่เราทําอาจจะหมนเขาอาจจะปิดใบชะนองเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมค่ะหลวงพ่อไม่ไม่แน่นอนอ่ไม่ไม่แน่นอนค่ะหลวงพ่อร่างกายเราอาจจะมีคนที่การยึ้นมาก็ได้นะ เราเนี่ยค่ะหลวงพ่อถ้าตายมันไมคมีปัญหาแมันไม่ไม่มาไม่ตายแะมันพิกลพิการเนี <c> ่ย <oughs> พิกนพิการทรมานเป็นภาระของคนอื่นอ่านั่นเ่าจะทำยังไงทำได้ไหมเราคิดลองคิดในรอบขอ้อมันเริ่มทำกันบ้างไว้ก่อนค่ะหลวงพ่อ อ, อ, พอ่อานี่คืเรื่องบัญญานีบัญญัต้องขุดคุยคิดเนึกถึงเรื่องต่างๆที่อาจจะเป็นไปได้ ว่าม่อาจจะไกิขึ้นได้เป็ข้อสอบ<ด>ต่างๆเข้าใจแล้วค่ะเหรอถ้าเราไม่คิดเราก็ยังประมาทอยู่เลยยังไม่ยังไม่ไมแบบทหารเขาซ้อมรบเขาก็มกีเขาก็ามีแบบแผนของงานซ้าว่าถ้าเกิดคลาสิกมาทางนี้จะทำยังไงถ้าคลาสิกมาทางอากาศเราจะทําทไงถ้ามาทางเรือเราจะทํายังไงแตก็เหมือนกันถ้าความทุกข์มันเข้ามาทางนี้เราจะทำยังไงอืม ก็คือเตรียมเตรียมพร้อมไว้ก่อนใช่ไหมคะหลวงพ่อไม่ประมาทนึกถึงความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ต่างๆอะไรก็จะกิดขึ้นได้ก็ก็เห็นเห็นมีอยู่บ้างนะคะหลวงพ่อยังเรื่องงานอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อเห็นบริษัทมันเริ่มเงียบเงียบค่ะหลวงพ่อก็เห็นอยู่ค่ะหลวงพ่อเดี๋ยอาจจะน้ำมันไม่มีใช้ก็ได้เนี่ยถ้าเกิดคันียจะทำยังไงกันใช่หรือว่า อันนี้มันยังจิบจอยอัที่หนักก็คืออเรื่องพิกลพิกายของร่างกายเหล่านี้นะมันจะหนัก ห, หนักใจกว่ า, าเกิดตาบ่อยขึ้นมาจะทําังไงทําใจได้ไหมหรือว่า ร, รับไม่ได้ทุกข์กับมันหรือเปล่าหรือก็เหมือน ร, รับกับทุกอย่างได้ไดหรือเปล่าเหมือนอย่างที่เรารับได้ขณะดนี้ ร, รับ<ๆ>ได้ว่าตอนนี้ทุกอย่างมันยังไม่ค่อยหนุนนรงมันไม่ค่อยท้าทายเท่าไหร่ ยังเรียบเรียบอยู่ค่ะหลวงพ่อใช่ยังไม่เจอข้อสอบหนักหนักค่ะหลวงพ่อหนักหนักก็มีมีเจ็บป่วยมีพัดภาคมีสูญเสียของรักมีคนไม่โอเคอ่าเป็นพิการเี็นคนพิการค่ะหลวงพ่ออ่าก็หลายเรื่องอยู่นะคะหลวงพ่อยังไม่ได้เห็นอยู่นะถ้าเราเห็นอยู่เห็นไอไอที่คนไม่โอเคนี่ก็ผ่านมาแล้วค่ะหลวงพ่อคือ รู้สึกเป็นทุกข์มาสี่ปีกว่าที่ไม่สามารถหลุดออกจากใจได้ค่ะที่ที่เขาทําร้ายเราที่เขาแทงเราข้างหลังข้างหน้าอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าตอนเนี้หลุดแล้วค่ะหลวงพ่อคือให้อภัยเขาแล้วก็ช่วยช่วยเขาทํางานเท่าที่เขามาขอความช่วยเหลือเราก็ช่วยแต่ว่าทําทําในที่นี้หมายถึงว่าหนูทําทั้งกายทั้งใจที่ที่เราต้องให้อภัยเขาจริงๆนะคะหลวงพ่ออันเนี้ย หนูก็ยอมรับว่าสี่ปีแต่ก่อนนะมันไม่หลุดแต่พรนะตอนเนี้ยมันหลุดไปแล้วค่ะหลวงพ่อที่มันหนักอกหนักใจที่หลุดไปแล้วคะ่ะแล้วงพ่อเราใช้เแลาตั้งสี่ปีนะไอ้สี่ปีนะโกรธโกรธเขาคะ่ะหลวงพ่อแล้ ว, แ ล, วแล้วยังไม่ได้ไม่ได้มาแบบไม่ได้มาเข้าแบบปฏิบัติได้ถ้าปฏิบัติทางมันต้องให้มันต้องปุ๊บกระไรปุ๊บต้องดับปั๊บเลยแต่ก่อนมันยังไม่ไม่ใช่อ่ะค่ะหลวงพ่อ แต่หนูก็เริ่มลงมาตั้งแต่ที่ไปอยู่บนเขาแล้วค่ะหลวงพ่อภาวนาทั้งวันเลยแล้วแล้วเสร็จแล้วมันก็เกิดปัญญามันเข้ามาสอม น, นมันมีมีมาบอกในหัวว่าคนที่จะตัดกิเลสน่ะต้องทำแบบนี้แบบนี้หนูหนูเคยเรียนหลวงพ่อว่าเขามาแสดงภาพให้เห็นเลยว่าถ้าจะตัดกิเลสจริงๆน่ะเคยเห็นต้นต้นมะพร้าวไหมหรือต้นตาลเวลาเขาจะฟันให้มันตายเนี่ยก็ฟันชับขาด ทีเดียวแล้วมันก็คือขาดออกไปเลยแบบเนี้ยค่ะหลวงพ่ออันนั้นน่ะก็คือหลุดลงมาได้เปาะหนึ่งเปาะหนึ่งแบบนี้ยค่ะหลวงพ่อมันก็คือตัดออกจากใจไปส่วนหนึ่งค่ะหลวงพ่อแล้วพอทํามาเรื่อยๆทํามาเรื่อยๆมันก็ขาดออกมาคือเห็นเห็นในสิ่งที่เราปฏิบัติทำมาค่ะหลวงพ่อคือเราก็ไม่สามารถจะไปเรียกร้องให้เขากลับมาลักมาชอบมาดีอะไรกับเราแบบนี้ยค่ะหลวงพ่อมันเหมือน มันยอมรับสภาพพอยอมรับสภาพไปนานๆเข้าอ่ะฝึกสติสมาธิปัญญาเราเห็นถึงความความโกรธความเป็นทุกข์อะไรแบบเนี้ยค่ะหลวงพ่อมันก็เลยคลายคล า, ายจนในที่สุดน่ะพอหนูมาฝึกล่าสุดน่ะมันก็หลุดมาเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วหมายถึงขาดแล้วก็ให้อภัยเขาอ่ะค่ะหลวงพ่อไม่ไม่มีจิตจะไปคิดแบบเขาเรียกอะไรนะคะอาฆาพยาบาทอะไรแบบเนี้ยคือมันหลุด ที่ยงออกจากใจได้อ่ะค่ะหลวงพ่อนั่ก็ย่าอยให้มันมีอาชาติใหม่เกิดขึ้นแล้วกันของการผ่านไปแล้วไม่เป็นไรแล้วของใหม่เวลามันเกิดต้องให้มันดับทันทีเรามันกับปุ๊พมดับปั๊บเลยหรือไม่เกิดขึ้นมาเลยได้ยิ่งดีค่ะหลวงพ่อแต่ตอนเนี้เห็นเห็นทุกอย่างแล้วมันไม่ได้สุขเลยที่สิ่งที่หนูเป็นมาที่ว่ามันอยู่ในใจอ่ะมันมันมีแต่ทุกข์ค่ะหลวงพ่อตอนเนี้มันเหมือนพอจะมีสติมีปัญญาขึ้นมาบ้าง แบบนี้คะ่ะหลวงพ่อมันก็คือมันก็เป็นแค่อาการอารมณ์ของจิตของใจเราที่มันมาแสดงให้เราอยู่โกรธมันก็ไม่ได้โกรธทั้งวันชอบมันก็ไม่ได้ชอบทั้งวันแบบนี้ค่ะหลวงพ่อให้ให้มองมองมันเหมือนดินฟ้าอากาศมาแล้วก็ไปอะไรแบบนี้คะ<อ>่ะหลวงพ่อมันก็เลยไม่ <c oughs> ไม่เอาเข้ามาค่ะหลวงพ่อทําไปนะทาไปค่ะหลวงพ่อก็รู้สึกสบาย ใช้ um. ชีวิตง่ายขึ้นสบายขึ้นค่ะหลวงพ่อโอเคอย่าประมาณนะเตรียมซ้ำรับเตรียมซ้ารอบไว้ค่ะหลวงพ่อกล่าวขอบพระคุณหลวงพ่อว่างๆนะคะถ้าไม่ได้หลวงพ่อหนูคงไม่ได้มาถึงขนาดนี้ค่ะหลวงพ่อโอเคสาธุขอบพระคุณค่ะสาธุค่ะไอคนร้ายตอคุณ้าไม่คำท้ากินคำท้าค่ะกลับนมรดการพระพระอาจารย์มีทั้งหมดสามคำถามจากทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ะ กรับนมัสการพระอาจารย์ครับสมาธิที่เกิดจากการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นอ่านหนังสือหรือการทำงานหน้าคอมพิวเตอร์จะทำให้จิตรวมได้ไหมครับและแตกต่างจากสมาธิที่ได้จากการนั่งภาวนาอย่างไรครับก็มันนมันสมาธิแบบที่เรานั่งภาวนามันทำให้จิตนิ่งให้จิตรวมได้ ใามาธิที่อยู่ในการทำงานนี้จิตใจ ย, ยังต้องคิดปรุแต่งอยู่มันก็ไม่รวมมันจะเป็นสมาธิแบบไม่คิดปรงแต่งมีสติแบบไม่คิดปรงแต่งเช่นดูลมนี่ก็ไม่ปรูแต่งพุโทโธแต่ไม่ได้ปรงแต่งก็ปรแต่งแค่คำเดียวคำ <c oughs> ถามต่อไปการบริจาคโลหิตเป็นบุญที่มีอนิสงส์มากกว่าการบริจาคเงินไหมครับ ก็แล้วแต่คุณค่าของของของเราเห็นที่เราไา้ใจาว่ามีคุณค่ากี่บาทนคำถามสุดท้ายจากคุณศรีวิไลกราบเลนถามค่ะขอแนวทางการสร้างบารมีเรื่องอุเบกขาเจ้าค่ะก็ต้องฝึกสตินั่งสมาธิเนี่ยแหละให้จิตรวมเป็นสมาธิแล้วอุเบกขาก็จะปรากฏขึ้นมาในใจคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะ โอเคคิดว่าทุกคนได้ถามได้คุยกันหมดแล้วนะวันนก็ <c oughs> ขอให้ท่านว่าให้จงเอสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไป พ, พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ